ันมีอะไรเล่าให้ฟังห้องยังไงสังขารคือความคิดปรุงแต่งของเรามันมันมันทำงานได้ขณะเดียวมันก็ทำได้อย่างเดียวจะทำทางวิเลสจะได้ทำทางธรรมะก็ได้ทำทางที่ไม่ใช่วิเลษหรือธรรมะก็ได้ที่ท่านสวนในงานศพนี่ กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัิญญาคตาธรรมะนี่ถ้หมายถึงสังขารความคิดปรุงแตง่ที่คิดปรุงแต่งไปทางกุศลก็ได้ อ, อกุศลก็ได้หรือไม่ใช่กุศลหรือ อ, อกุศลก็ได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามสั่งสอนพวกเราก็ให้คิดไปในทางกุศลเป็นทิศแต่ ค, ควาว่าคิดโท้คโทเนี่ยเป็นกุศลพอคิดแล้วมันไม่มันไม่ร้อนคิดแล้วมันเย็น มันสงบถ้าปล่อให้คิดตามภาษาของเรามันจะชอบคิดไปทางที่เลวพอเกิดความเจ็บปวดขึ่งมาก็เกิดความกลัวเกิดความอยากให้ความเจ็บปวดนั้นาหายไปอ อ, อยากจะหนีหจากมันไปได้ยินไห ม, มที่นี่เหมือนกัน เราต้องมาฝึกมาสร้างกุศลฝึก ส, สอนจิตให้คิดไปในทางที่เป็ น, ปนกุศลควบคุมสังขารให้ไปในทางกุศลเบื้องต้นก็ให้เอาบริกรรมไปก่อนหรือที่เรานิยมทํากันทั่วไปครับสวดรนตเจริญพุทธคุณพระธรมคุณพระสังฆคุณ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 ไ ม, ไม่ไม่ปรากฏถ้าเราสวดอย่างเดียวหรือบริกรรมอย่างเดียวโดยที่มีสติควบคุมใจควบคุมความคิดให้อยู่กับการสวดหรือกับการบริกรรมจิตมันจะสนุกอย่างรวดเร็วในประวัติของคุณแม่เก้าที่นุตานเขียนไว้ในปฏิปทาครั้งแรกที่คุณแม่เก้าลองพอมนาลองบริกรรมพุถุผ ประมาณสักห้านาทีจิตก็รวมลงรวมลงเข้าสู่ความสงบง่ายแต่เราไม่เคยเป็นล้วก็ฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นไปนได้อย่างไรพ่าเราสวดมาเป็นปีๆบริกรรมมาเป็นปีๆไม่ได้เห็นมีจะเป็นอย่างที่ท่านเขียนว้เลยเพราะการบริกรรมของพวกเรามันไม่เหมือนกับการบริกรรมท่า น, น ท่านบริการแบบร0อยเปอร์เซ็นเหมือนสุราเล้าก็แบบไม่ไม่ผสมน้ำแข็งไม่ผสมโซดาหนึ่งเขาเรียกเล่าเพียวๆอย่างเี้ยตามบริการของท่านก็มีแต่ทุกทรัร์ล้วนๆไม่ได้ส่งจิตไปคิดเรื่องอื่นเลยสาเหตุอาจจะเป็นเพราะท่านได้เจริญสติมามากพอในนดี สตินี่มันติดมากับใจพอให้มันทํางานกับอะไรมันก็จะทํางานของมันจนิงๆคนที่คนที่พ อ, อนานแล้วสงบได้กับคนที่ยังสงบไม่ได้นี่ตัวปัจจัยสําคัญก็คือตัวสติเ น, นั้นอย่าไปสงสัยอย่าไปคิดว่าทําไมเขได้เราไม่ได้นี่เราได้เขาไม่ได้ก็ในอดีตเรา สาสมมาไม่เหมือนกันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตัวสติเป็นหลักถ้ามีสติแล้วอะไรมันก็จะตามมาสมาธิก็ตามมาปัญญาก็จะตามมาวิมุตติหลุดพ้นก็จะตามมาพระเจ้ายืงยันว่าสตินี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมธรรมกัมปวง เปี่ยนเงื้อรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงรอยเท้าช้างนี่ก็รอยเท้าของสัตวก็เชืได้สตินี่ก็เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วทําอย่างอื่นก็ปรากฏขึ้มนมาไม่ได้ในสีห้าก็มีวิธีทําให้รักษาสติ โดยการไม่เสพสุรายามาลความกินการเสพสุรายามาลนี่มันก็ไม่ได้ไปเบียเดเบียนใครมันไม่ได้เหมือนกับการฆ่าสัตว์นักทรัพย์เพื่อผิดโปรยนหรือเพื่อปวดมดเท็ดแต่มันเป็นการขวางกั้นการเจริญในทางการปฏิบัติถ้าเสพสุรายามาแล้วมันก็ขาดสติ ถ้าไปพูดไปทําอะไรก็อาจจะทําบาปทำกรรมได้หีือถาไม่ได้ไปพูดไป ท, าทำำําบาปทํากรรมจะไปทําความดีก็ทําไม่ได้จะไปภาวนาก็ภาวนาไม่ได้บริกรรมพุโทโธไม่ได้หีืแต่จะนอนอย่างเดียวนะสติจึเป็นสัจจะที่สําคัญ ในธรรมต่าง ๆ, ๆนี้จะมีสติอยู่เสมอนักแต่ก็มีสัมมาสติินสีห้าทะห้าก็มีสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสติประฐานสีก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสติเพราะฉะนั้นพวกเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเจริญสติ พยายามสร้างให้มีสติขึ้นมาให้ได้ของเมื่อได้สติแล้วสมาธิปัญญาก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาตามลําดับสติปัญญาก็มันเป็นของคู่กันเวลาพูดอะไรสติปัญญามาหาสติมาหาปัญญามันมันอยู่ที่ตัวสติใช่ไหล่ะ สติเป็นเหมือนเชือกเรื่องตอนกาจะเป็นเหมือนเชือกกล้วยผูกไว้กับคอสุนัขเราจะผูกไว้กับเสาไม่นานมันกระตกที่ียอะมันก็ถ่ายเพราสะสติมันยังอ่อนอไม่มีกําลังช่วยกาลังของสุนัขไม่ได้ขอ ง, ของกเลกล็ของใจไม่ได้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 สองสามวินาทีสี่ห้าวินาทีมันก็หลุดมันก็ไปพอได้สติแล้วก็เดินกลับมาใหม่ดึงกลับมาเรื่อยๆอย่างนี้เป็นเหมือนการชักกะเยอะกันตอนต้นเขาจะมีแรงมากกว่าเขาก็จะามดึงไปได้เรื่อยๆพอไปพอเรามีกำลังมากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นก็จะดึงก็จะไม่ไปไม่ไม่ถดดึงไปได้งา่าย ต่อไปมันจะไม่ไปมันจะอยู่ครับงานที่ให้ทำํำพออยู่กับงานที่ให้ทําไม่นานนีนก็สงบได้หรือถ้ามากกว่านั้นมันสามารถหยุดความคิดได้เองเลยไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้มัสามารถหยุดสั่งให้หยุดคิดได้เลยไม่ต้องคิดก็ได้เมื่อมันมีสติขนาะนี้แล้วมันก็จะมีสมาธิจิตนั้นก็จะสงบ นิ่งเย็นสบายมีความสุขและเวลาที่มันออกจากสมาธิสังขานก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสเหมือ น, นเดิมก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ตอไปปัญญาที่จะแก้ก็ต้องใช้ปลายลัคิดไปในเรื่องอนิจจ์ทุกขงังนักตาในเรืออะไรก็ จินต่าว่าไม่ไดียังเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นพีนดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟเราอยู่ในโลกธาตุโลกของธาตุสี่ร่างกายก็เป็นธาตุสู่กุติก็เป็นธาตุสี่ต้นไาก็เป็นธาตุสี่ไม่มีอะไรไม่ใช่ธาตุสี่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไป เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากมันเล็กก็เป็นต้นจากต้นเล็กก็ขึ้นไปเป็นต้นใหญ่จากต้นใหญ่ก็แก่ลงก็ตายลงมาล้มตายลงมาตายเป็นดินไปสร้างกายก็เช่นเดียวกันมันมันไหลไปมันจะเหมือนกระแสะ น, น้ําไหลามาจากภูกเขาไหลลงมาเรื่อยๆตาม ห้วยตามลำทารตามแม่น้ำลงลยสู่ทะเลหมาสมุทรทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจิตผู้รู้ธาตรู้นี้เป็นเพียงผู้ที่มามาครอบครองมาเป็นเจ้าของชั่วคราวแต่มาด้วยมากับความหลงมากับอวิชชาปัจจัยสังขารา วิชากอเป็นปัจจัยให้สังขารตูงแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เกิดตัณหาความอยากเกิดอุปาทานความยึดจิตเกิดภาวะเกิดภพเกิดชาติตามมาต่อไปหมดจากภพบนี้ก็ไปต่อภพหน่อยเพราะว่าจิตเป็นอกุจลาทำมา อวิชชาปัญญาสังขารนี่แหละคืออกุศลธรร ม, มถ้าถ้าเป็นใจ ล, ลักมันก็จะเป็นกุศลธรรมะ ม, มันจะเห็นความจริงเห็นความจริงมันก็จะตัดปัญหาตัดอิสระได้ตัดพบตัดชาติได้ทั้งหมดนี้ก็อยู่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรา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 เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกวันนี้เราก็อยู่กับพวกพวกนี้เท่านั้นเองอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส佛陀ในรูปแบบต่างๆมีใจเสียใจกับรูปเสียงกลิ่นรส佛陀มีใจเสียใจกับธาตุสีดินน้ำลงไปเราต้องสอนใจเราต้องปฏิบัติ ต้องศึกษาเมื่อได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็พยายามทําให้มากพยายามจับภารกิจอย่างอื่นออกไปทำเท่าที่จําเป็นภารกิจอย่างอืน่นนี่ต้องเป็นภารกิจที่สนับสนุนการปฏิบัติอย่าไปเสียเวลาหมดเวลากับการไปสนุกสนานกับพวกรูปเสียงกเก่นมกักปุถุตละ มันไม่ได้ทำให้จิตใจเจริญขึ้นฉลาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่มันทำให้จิตใจหลงมากขึ้นทุกข์มากขึ้นดังนั้นทำงานทำการถ้าต้องทำก็ทำไปเพื่อจะได้มีปัจจัยสีมาส น, นับสนุนจุนเจือคตณภาพร่างกาย พอแล้วก็ถ้ในเวลาว่างจากการทำงานก็อย่าไปไปหารูปเสียงกินนรสโผฏฐัพให้เข้าหาธรรมะให้เจริญสติและแต่ในขณะที่ทำงานทำการทำาหากกินก็สามารถเจริญสติได้ให้ดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ให้ให้อยู่กับ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 ใ ห, ให้อยู่เรื่องอื่นถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดเรื่องการทําอย่างอื่นเช่นต่อหยุดหยุดเที่ยวหยุดรับประทานแล้วก็นั่งคิดให้พอมีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็ ค, คิดต่เมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยุดคิดเก็บเอาเข้าลิ้นชักแล้วก็มาคิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยำ ถ้าทำ่างนี้ต่อไปก็จะมีสติตมากขึ้นไปนเรื่อยๆแล้วพอมีสติตแล้วพอให้จิตคิดแต่คำว่าพุทโธให้บริกรรมแต่คำว่าพุทโธมันก็จะสนัได้ให้สวดมนต์มันก็สนัได้ให้ดูลมหายใจเท่าออมันก็สนบได้เนี่ยกรรมฐานสี่สิบนี่มันเป็นเป็นเนสาวไว้ผูกจิตแต่ต้องมีเชือก ที่ถูกระหว่างจิตกับเสาวนี่ก็คือจิตงั้นกรรมาฐานสี่สิบนี่มันยังได้ยังหนึ่งก็ได้ชนิดไหนก็ได้ที่เราชอบเป็นเหมือนอาหารที่เรารับประทานเราชอบรับประทานอาหารแบบไหนเราก็รับประทานแบบนั้นผลก็คือความอิ่มมันก็จะตามมากรรมาฐานสี่สิบนี่เราก็เลือกได้จะ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 พยายามสร้างความสุขนี้รักษาความสุขนี้ให้มีมากขึ้นไปให้มีอย่างต่อเนื่องจนมีอยู่ตลอดเวลาเราสงบในสมาธิมันก็สงบได้ชั่วระยะเวลาพอพอหลังจากนั้นมันก็จะถอนออกมาก็าเริ่มคิดปรุงแต่งกิเลสก็ออก มาทํางานต่อได้เพราะสมาธินี้ไม่ได้ไปตัดกิเลสให้ขาดให้ตายเองแต่ไปกดเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าพอออกจากสมาธิก็เหมือนยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็จะเลยงอกางามต่อไปได้กิเลสก็ยังทํา ง, งานต่อไปได้กิเลสจะตายได้ก็ต้องถอนรากถอนโคนของมันรากโคนของกิเลสก็คือโมหะความหลง โลกโกรหลงความหลงนี้ทำให้โลกทำให้โกรความหลงก็คือเห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นายรักเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นโลกเสียงเกล่ดรอดผลตถาว่าเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นทุกข์เป็นใจรักอริจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมันเป็นอริจังทุกขังอนัตตาแต่ความหลงจะไปเห็นว่าเป็นนิจังสุขขังอนัตตา มันร่างกายเป็นตัวเป็นตนมันร่างกายเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราต้องดูแลรักษามันอย่างเต็มที่เห็นว่ามันต้องอยู่ไปนานๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่กิเลสเห็นเพราะมันเป็นความหลุมมันต้องใช้ปัญญาเข้ม า, ามาวิเคราะห์พิจารณาเรื่อยๆ ว่าขณะที่เราไม่ลิเครานะห์พิจารณาด้วยปัญญามันก็จะไปทางกิเลสจริงมันเป็นมันติดอยู่ผังลึกเป็นนิสัยเป็นเป็นเหมือนกับถีย้อมที่มันติดอยู่ในข้างต้องคอยเอาน้ํายามาซักฟอกให้มันออกไปให้ได้เอาปัญญาก็มาซักฟอกอาสวะ อาสะวะที่มีอยู่ในจิตอาสะวะนี้เป็นเหมือนกับสีย้อมที่มันอยู่ในน้ำที่ใสสะอาดก็ต้องเอาปัญญาเข้ามากรองมันออกไปต้องทำอยู่เรื่อยๆต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกขณะที่กำลังคิดเรื่องอะไรก็ตามต้องมีใจรักเข้ามาประกอบอยู่เรื่อยๆ จะหยุดใจรักได้จะหยุดพิจารณาได้ก็ตอนที่เข้าสู่สมาธิเข้าไปพักจิตเอก็ไม่มีทางที่จะพิจารณาได้ตลอดเวลาทำ ง, งานก็ทํา ง, งานคนเราทํา ง, งานก็ทํา ง, งานไม่ได้ตลอด24ชั่วโมทงทำแล้นก็ต้องมีหยุดพักผ่อนรักประทานอาหารจิตก็เช่นเดียวกันถ้าพิจารณาเป็นานานนันก็เกิดความล้าขึ้นมาเกิดความเหนื่อยขึ้นมา พิจารณาแล้วไม่เฉียดไม่แหลมคมไม่เห็นชัดแล้วก็มีอารมณ์เข้ามาแทะอารมณ์ของจิตอยู่จเข้ามาแทะตอนนั้นก็ควรจะหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าสู่สมาธิทำจิตให้สบายพอจิต้อนตัวออกมาแล้วตอนนั้นก็มีความสดชื่นมีกําลังไม่มีอารมณ์จิตว่างก็ปราศจากอารมณ์ ก็าสามารถพิจารณาต่อได้ไปพิจารณาเรื่องอะไรอยู่ยังพิจารณาไม่เสร็จก็พิจารณาต่อไปพิจารณาตอนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยไปมองอะไรคิดอะไรก็จะมองว่าเป็นตายแลเป็นบินน้ำลมไปอันี้ก็ไปเท่าสนามสอบดูไปตัดสอบดูไปดูคนตายดู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 ห้องสอบมันก็มีหลายห้องห้องของคนอื่นก็ห้องต่อไปก็ห้องของเราเป็นความจริงที่มันจะต้องปรากฏขึ้นมาตามมาถ้าไปได้ถ้าต้องสอบแล้วผ่านก็ทีนี้ก็สบายดูแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เวลาใดก็ไม่เป็นปัญหาไม่ทุกข์แล้สบาย หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรรนะู้ว่าผ่านให้แน่งานก็เสร็จชิ้นได้งานในงานภาวนานี้มีที่สิ้นสุดวุสุทังธรรมจารุยัยงติดในธรรมจรก์ได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อได้เข้าห้องสอบจนสอบผ่านแล้ว ไหวยว่าหลุดพ้นจากความทุกข์งงทั้งลายหลงจากนั้นก็สบายไม่ต้องทำอะไรถ้าจะทำก็ทำให้กับคนอื่นต่อไปกับตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะแม่ต้องสอนคนอื่นต่อให้คนอื่นเขาได้ไปไปไปสอนก็เขาจะได้หลุดพ้น รางวัลที่ได้มันดีกว่ารางวัลที่ใครจะให้เราราดด้วยกัรเสริสุดมันไม่มีความหมายเมื่อเปรียบกับรางวัลที่เราได้ปลมังสุขยังปลมังสุขขันคำว่าปัลมังม์นั้นก็สุดยอดเลยปัลลังความสุขที่ไม่มีความทุกข์เกี่ยวพันอยู่ความสุขที่ถาวรกดจากกิตที่ มีความว่างปรษาศจากโลโกต น, นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเริ่มต้นที่สติมีสติไม่ว่าทำอะไรก็ให้มีสติทำยินมให้ทานก็มีสติรักษาศินด้วยสติภาวนาด้วยสติหยุดพ้นด้วยสติด้วยสมาธิ้วยปัญญา แกนี้แหละการอยากจะถามอะไรก็ถามเลยถามเวลาท่านอาจาราย์ปฏิบัติคือมันสร้นๆนแต่เวลาปฏิบททัติทีโอ้โหมันเป็นหลายหลายปีสิบปียีสิบปีและหลายโอ้โหเป็นยาวมากไม่เราอยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติวันละสิบนาทีมันก็ก็ต้อาอาจารย์สู้ีเสร็ปุ๊บอาจารย์โอ้แต่เวลาเราทำนี่้หานานมากถ้าถ้าปฏิบัติ ทุกนาทีเวลานาทีหนืองเท่าไหร่ใช่นั่นเองครับมาถามคือก็เอาการ์ูนที่ผ ด, ดพลาดไป น, น, นี่ามีลุ้นเลนะี่แต่ว่าต้องต้องเป็นท่ า, จ า, านจะอธิบายเาบอกว่าในมีตอนที่อ่เาเจะเกมีคนถามทัาใิณบุตรุ่นอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกครังนั้นที่เกิดขึ้นทุกคนั้นที่ดั บ, ดบไป ทีนี้เอาพ่อพก็ไม่ใช่ทุกเสียงดับเลอทําไมดับเฉพาะทุกน้อยหอล่กเวลาพิจารณาตายรักเนี่ยท่านท่านท่านก็เน้นไปนตรงที่ตัวทุกแต่โลกนี้ที่มันตัวเป็นตัวการตัวปัญหาก็คือตัวทุกนี่แล้วมันก็มีแต่ทุกท่านให้เกิดขึ้นแล้วทุกท่้นที่ดับไปก็มีทางนั้นรูเ้เปล่าเขาเป็นชีวิตมันก็เต็ ม, มันด้วยความทุกข์นั่นทุกอย่างก็มันตายรักเหมือน มองอะไรก็ถ้ามองเห็นตายรากมันจเห็นแต่ความจริงอย่างมันมันทุกข์เกิดขึ้นจากที่เราไปยุ่งกับมันต่างัากความจริงเขาไม่ได้เป็นทุกข์กับเขาเป็นเพียงอนิจจังเขาเป็นเพียงอนาตาัตตาต้นไม้ใบญ้าร่างกายนี่เขาเป็นอนิจจังเขาไม่ทุกเขาไม่ใช่ตัวตนเขาเป็นธาตุสี่เป็นยนาะมีความแต่ใจเนี่มันไปนทุกข์กับมัน ท, ท, ทุกข์เพราะความหลงเพราะยึดติดเพความอยาก มันก็อะไรก็ความทุกข์นั้นก็คำพูดสรุปก็คือมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วมีแต่ทุกข์ที่ดับไปในจิตเราทท่านั้นเีง ท, ที่เกิดขึ้นได้่ท่านั้นแหละมีแมนวทางที่บอกประมาณสี่สิบแนวทางอะไรนี้นะเอรู้ไปฟังคนพูดคนนึงเาบอกว่าใช้วิธีแบบ นะคกับพิจารณาว่าทำงาความดีอะไรของของพ่อแม่อะไรเงี้ยคือแทนที่จะใช้ปุกโทยลงหายใจอะไรเงี้เราก็กล่เกิดง่ายง่ายก็พิจาราว่าพ่อแม่เราทำอะไรให้เราดีๆอะไรเงี้ยเราคิดไปพิจารณาไปเรื่อยๆเลคะอันนี้จะถือว่าเป็นในสี่สิบปันหรือเปล่าไม่ไมใช่คู่ความคิดมัน ก, มนก็มันก็คล้ายแตกหน่อมาจากพุทธคุณทั้งทุคุณก็เอาพ่อแม่มาเป็นคุณของพ่อข อ, ของแม่ แต่ว่ามันอาจจะไปเกิดที่เลตความผูกพันกับพ่อกับแม่ค่อนไหนก็ไม่เสียหายก็แค่ได้แต่แต่ยากกว่าถูกโผล่ไเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะบริกรรมว่าแม่แม่ก็ได้พ่อพอก็ได้พ่อไปเรื่อยๆพ่อทําอะไรก็ได้ลูกก็ได้คุยกับเขาคือเขาพูกว่าเขาแปลกคือเขาคิดว่ากรรมนี่แก้ได้อืม ไม่คิดว่ากรรมไม่แก้่ะ้เอาจริงๆว่ามันอาจจรจาลงกรรมที่ทําไปแล้วมันก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด่าใคยไปแล้วเนี่ยจะไปถอนคืนมาเหมือนในสพาไม่ได้นั่มันนั่นมันหลอกกันมันหลอกด่ากันแล้วก็ไปขอถอยกันคืนขึ้นมามันคืนคืนไม่เกิดขึ้นแล้วอ่ะมันฝังอยู่ในความรู้สึกในิพิจของคนแล้ว เขาก็ต้องเกิดปฏิกิริยากับเราแล้วเขาก็ต้องตอบเพียรเราขึ้นมาเขามีโอกาสเขาก็ด่าแล้ขับเรานั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเราไปไปลบมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราเราเราเรากันได้ก็คือกรรมใหม่อันนี้เรากันได้เราอยากไปทำไํำเลยที่พี่เขาเขา มาถึกตอนศสาวก็ค ง, งจะว่าพ่อแม่ไว้เยอะว่าคุณแม่ไว้เยอะอะไรเงี้ยค่ะพลทีนี้เสร็จแล้วก็คงคงรู้สึกเขาก็บอกว่าให้เอาให้คุณแม่โ อ, อ้โหติดกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะเราบางลงอันผมไม่ไม่กล้าบอกเป็นเรื่องจริงว่าเป็นแค่ให้กําลังใจดียๆมันก็เป็น<ม>การคิดที่ดีอะคือคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีพระคุณต่อเรามากถ้าเราเราเลิกเก่งพระคุณของข้านได้ก็ดีทําให้เรา มีความปัตยีปตัปตย์เวทีขึ้น ม, มาไม่เสียหายชินแล้วมันก็ทำให้ใจสบายขึ้นใจสงบลงแต่จะสงบเหมือนกับการบริกรรมพุทโธรรนี้หรือไม่นี้ไม่เคยสองบเลยไม่เลยแต่หลักของการทำสมาธินี่นอกจากกรรมฐานสี่สิบนี่แล้วก็ย่งอื่นก็ได้เาอ ศาสนาอื่นหรอรัที่อื่นเขาก็ใช้คําอื่นเขาใช้โอมนี้ก็ได้สมมมา阿拉หังอะไรส ง, งขารือมันก็เป็นเพียงสังขารความคิดปรุงอันหนึ่งที่ไม่ไม่ไปทําให้จิตก็เพื่อไม่ให้จิตมันครงแต่งไปในทางกิเลสให้มันอยู่เป็นการนี้มันก็สงบตัวมันได้ คงเข้านีค่ะเป็นลูกทื่ฝันลูกคิดว่าไม่ใช่คิดลบได้เหมือนเราเนี่ยมาไม่ธรรมดาหลักของทางว่าฝันเขาจะให้สอนที่คุณสมาธิอันตั้งมั่นกันเขาเข้าเขาคิดวพื่ออานงเขาเป็นปัญญาอุลตร้าที่คือเคิดใจ่ในทางดีตลอดคือลูกโอ้เออถ้าคนนี้มีไปทุ่งสร้างได้ถ้าไม่ได้มีสมาธิดีคือเขาคิดว่าอันนุเขาคือท่านอานจะทําอะไรกุตามเนี่ย ให้คิดคิดอยู่ตลอดเวลาที่แม่ น, นันไม่ได้มีสมาธิอยู่เลยนะค่มันแค่นั้นลูกว่าไม่ใช่บัญญาของสมาธิไม่ามารทราบใ่หรือไม่ใช่ไหมก็คิดใจทางกายรั ก, กด่งใจได้มันก็ใช่แต่แต่คงเขาไม่ใช่ใจรักคิดในทางกายรักมันก็ใช่แต่มันจะเป็นสมาธิหรือไม่นั้นนั่นมันก็อยู่ที่ว่ามีสติที่จะควบคุมให้คิดอยู่ในเรืกายรักนั้น แล้วคิดจนถึงถึงแก่ค น, นไม่มป็นพุกสร้างเกี่ยวกับเรือ่องเรื่องสามีจะจากไปหรไปมีแฟนใหม่นี่ยเราเราคิดว่าในที่สุดก็ต้องจากกันและขณะนี้ใครกำลังทุกข์อยู่เรากำลังทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะอะไรก็เราไปหวงไปยึดไปติดเขาเพราะเป็นของเราใช่ไหมแล้วความจริงเขาเป็นของเราหรือไม่ม พิจารณาจงเห็นเห็นชัดว่าอ๋อมันไม่ใช่เป็นของเราแล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องปล่อยเขาไปพอเรายอมแล้วความจริงนี้แล้วเราไม่อยากจะทุกเราก็ตัดใจระหวางความทุกข์กับเขาเนี่ยจะเอาอะไรกันแน่หรือถ้าเอาเขาก็ต้องทุกถ้ายังอยากจะให้เขาอยู่กับเราก็ต้องทุกเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราเขาจะต้องไปนี่แน่แต่ถ้ายอมไม่ก็ไป ปล่อยเขาไปล้วก็ไม่ทุกเรายอมรับความจริงว่าเขาไม่ใช่ของเราเขาเป็นสมบัติชั่วคราววันนี้มันก็จะหายไกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาอุปนิสั่พอเราบางทีทุกข์เหลือเกินอย่างที่คนก่อนเล่านิทานเรื่อง ในสมัยพุทธกาลแม่คนหนึ่งมีลูกขออกข้อลูกออกมาได้ไม่ไม่นานลูกก็ตายไปเป็นทารกอีกก็ทุกข์อยากจะให้ลูกฟื้นขึ้นมาแต่บ้าสงสารคือไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมอะไรนั่งน้องกอดลูกร้องห่มร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อนบ้านสงสารก็เลยแงะให้ไปหาพระพุทธเจ้า พระเจ้าจะช่วยทำให้ขึ้นได้ก็ดีใจคือความหวังนีล่ลูกไปหาชมพระเจ้าพระเจ้าท่านก็เมตตาที่บอกต้องการอะไรเพาะอยากจะให้ได้เข่าว่าท่านจะช่วยให้ทําให้ลูกขึ้นได้อ๋อได้ง่ายนิดเดีย ว, วยแต่เอางา ม, มาแค่จมูง แต่งานที่เอามานี่ต้องมาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเนีย ม, มีพ่อแม่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนฝูงแค่มีพีย้องตายแ่ก็ดีใจว่าโออได้ไปรีบไปเข้าประตูบ้านแต่และบ้านก็มีงานทุกบ้านแต่ทุกบ้านก็มีคนตายทุกบ้านจนแกนเหนื่อยใจเรื่องว่าเห็นสัตว์จะทำความจริงขึ้นมาว่าคามตายนี่เป็นธรรมดา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแล้วตัวเองกําลังทุกข์อีกพอไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาพอเห็นอนิจจังก็ออกความตายเป็นธรรมดาแล้วตายแล้วก็กลับมาไม่ได้ก็ยอมรับความจริงอย่างนี้ใจก็หายทุกข์ใจก็อา่านยู้ไปฝังไปถังต่อไปเนี่ย ป, ปัญญาอวรมสมาธิพระพุทธเจ้าสอนปัญญาอบรนสมาธิ อย่างอย่างแบบอะไรแบบเป็นอุบายเลยไม่ต้องใช้คำพูดให้เสียเวลาให้เขาไปเห็นกับตาเขาเองเนีย่ยพระพิจเจ้าทั้งเจ่งอย่างนี้บังทีท่านไม่พูดมากแต่หลอกเป็นอุบายให้ไปปฏิบัติเลยให้เขาไปเข้าห้องสอบเลยเร่งกาปัญญาอุปน์สบาทีิอียรค่ะ กับปัญญาที่มันเกิดขึ้นจา ก, การเราสมองแล้วสมาธิแล้วเราเพียงนาที่มันเกิดอัญญาเนี่เหมือนกันใช่ไหตามนั้นมันยังเกีกับการทําการบ้านอยู<ม>เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นร่างกายของเราเป็นการฝึกฝนออเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเรารู้วิธีรับกับเหตุการณ์นั้นล้วรู้วิธี รักษาใจด้วยปัญญาแนละ้วเราก็ไปเข้าห้องสอบอยู่เรากลัวอะไรเราก็ไปที่นั้นกลัวผีก็ไปป่าชา้ากลัวตายก็ไปเข้าไปในป่าไปอยู่ ใ, ใกล้สถานที่ที่มันน่ากลัวหรือที่แต่น่ามีภัยที่เห็นแก่ชีวิตได้ก็ไปดยูไปแล้วก็ไม่ได้ไปรักษาร่างกายไปรักษาใจ ไม่ปัญญาักษาใจไม่ให้ทุดเพราะเมื่อมันอยู่ในที่กลัวนี่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นแล้วอวิชชาปัญญาสังขารมันจะออกมาแล้วเพราเราจะตายแล้วงูเสือมากัดกินเดีือมโดนนีกัดโดนบาดตายบาดกัดตายตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาครับที่เราเคยวิเคราะห์ตอนที่เรายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เราจะทํางานได้หรือเปล่า ตอนที่ปลอดท้ายก็เก่งอ่ะทีนี้เหมือนกับเรานักชก ม, มวยนะตอนต้นก็นซ้อมกับคู่ซ้อมชกกับกระสอบทรายทีนี้ต้องไปขึ้นเวทีจริงอนะ่ะดูว่าจะจะจ ะ, จะผ่านไหมจะชนะไหมถ้าไม่ชนะก็แสดงว่ายัางไม่เร็วไม่ทันกิเลสพิชาปัจยาสังฆารามันเร็วกว่าไปรักปัจจยาสังฆารามันมันช้ากว่าแล้ว หรือธรรมะปัจญาสังขารามันช้ากว่าก็ต้องกลับมาฝึกใหม่พิจารณาให้มากขึ้นให้มันต่อเนื่องจนเร็วกว่ากิเลนะก็เปไปทดสอบถ้ า, ถามันช่วยขั้นหนึ่งถ้ามันถามไปได้ครั้งหนึ่งมันก็ผ่านไปตลอดก็มั่นชนะนะก็ชนะเขาครั้งนึงแล้วเราก็รู้ว่าเราชนะเขาเสมอ คือูกกำลังสงสัยสมมติว่าอย่างถ้าเราไปลงาไม่าพาไปถเราเปิดเท่ยแล้วเราก็เราก็เป็นคนที่ขัวแต่ในชีวิตท่านที่เราไปอยู่ในภาวะกาลางหนึ่งแต่สมมติว่าไปอยู่ในถ้ำคืน เ, เทปติดวันขัิจารณาลงแล้วก็ไม่ตัวไม่มีอะไรเนี้ยทีนี้มันก็ยังไม่รู้ว่ามันแค่ของที่ว่าจะถึงที่สุดของให้ตัวจริงๆมันไม่ขเ <c oughs> ข้าถ้าเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไปแบบ นั่งอยู่หน้าคาแล้วถ้าขาดสติมันก็หล่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันก็น่าจะผ่านแต่เรื่องนั้นไอาจารย์หรือว่ามันก็มันมันมันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่นะเมื่อกี้ทุเรศเี่ยเขาเราลูกฟังว่าที่ทุกมาที่สารานี้แล้วก็ทีุ่กแกหล่นลงบนหลังที่นั่นแต่รงปาพนะ อันนั้นก็กลัวเพราะว่าท่านการสั่งว่าอย่าเคยเอาออนออกเขาก็ไม่เอาออกเสร็จแล้วต่อไปมาถวนนั้นพีก็ปัวยมาบอกว่าทุกกายอยู่ในสุติต้งวิสิตันตัวเขาโกอีกเาบอกว่าเอะมันก็ทาไมเพราะมันาจะข่มใจด้วยสมาธิอันนันคือการข่มใจด้วยสมาธิคือทาใจให้นิ่งเฉยเฉาจะข่มใจด้วยปัญญาก็ต้องอ่ะจะเป็นอะไรก็เป็นร่างกายจะตายก็ตายมันจะกัดกินหรืจะเป็นอะไรกับร่างกายก็ ให้มันเป็นไปมันต้องปล่อยว่าต้องปล่อยร่างกายใชนะ้ไเป็น น, นิดนึงใชบถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นการปล่อยวางเลยแต่ว่าถ้าผมนี่มาที่เป็นออย่างผมไม่นั น, นั้นตอนนั้นมมีสติมันก็ผมได้แต่ถ้าไปเจอมากกว่าหนึ่งตัวนี่มันก็อาจจะข <c oughs> มไม่ไหวใช่คะกอนเป็นคนกลัวผี่มากแล้วตอนนี้ก็ คิดว่าเองกล้าขึ้นตอนนี้วิธีที่เาสอบเองในการพยายามไปลดน้ำศพคนอ่ะอือแล้วก็รู้สึกว่าขนน้ำมันก็ดีขึ้นกลับมาแล้วแต่ก่อนผ้ามันจะติดเวลาเห็นศอกจนนี้กลับมาแล้วก็เฉยเฉยไม่กลัวอะไรเลยอือแล้วก็อยู่คนเดียวได้อยคนเดียวสิ้น้าวปีิดไฟได้นอนหลับติดไฟได้ไม่ต้องเลิดไฟที่ไม่ รู้สึกว่ามันแข็งแข็งขึ้นหนึ่งก็ถือว่ามีความก้้าล้วความันก็ก้าวน้าไม่กลัวความกลัวนี่มันเป็นที่เหลวทีนี้เดพอมีงานศพก็จะพยายามไปให้ทารถนำศพแล้วก็จะไปดูขั้นต่อไปครับไปดูการพาศพก็ไปยังไปถิงนะไปถึแล้วก็ดูแล้วก็ตงสังเวชร่างเขาร่างเราสักอันเดียวคนต่อไปร่าของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่ไท่านจารย์บอกว่าให้ไปอยู่ป่าช้ ไม่ไม่ได้บอกแล้วแต่เราถ้าเรา <c oughs> เราก็ไม่เคยไ ป, ป, ไปอยู่ป่าชาเคยไปนั่งอยู่ที่นแต่ก็ไม่ได้ไปองเดียวไปสามอง แ, แต่ไปแยากนั่งกันอยู่บบกับบางคนก็ไปภาวนาอยู่ครึ่งชั่วโมงสรึ่งหนึ่งก็ไม่เห็นเมลัยเขาจะกลับแล้วก็กลับัปที่บาตานส่ยเขาไปไห น, นที่บานสายก็มีป่าชาเขาจบก็ไม่มีเมน จะมีป่าช้าแล้วก็จะเอาปศุสัตเขาจะตัดต้นไม้กองเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเลนขึ้นมาเป็นกองอแล้วก็เอาศบตั้งอยู่ข้าบนกองไม้พา้าก็ไปสวดเวลาและให้เสร็จแต่ดไม้จันทให้เสร็จเขาก็จุดไฟเผาแล้วเขก็จะมีคือท่อนไม้สองท่อนประกบทับใบกับหลังลงศพก็ลงศพไม่มีสา จะลงสุดเป็นลงจุดแไม้แล้วปักกระดาษเป็นส่วนาทำองเองแล้วก็จะไปขาตุกทีนอ่ามันก็จะงอตัวขึ้นาถ้าเราเอาไอ้ไม้นั่นเปถ้าเราไเอาไม้นั่นมาตกเลยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วถ้านไม่ได้อยู่แล้วพอพอจุดไฟเสร็จแล้วก็พระพานทิมนให้ไปสวดที่บ้านต่อแต่ตอนค่าเนี่ยตอนค่ำเนี่ย มันยังไม่ไม่หมดอีกพรเขาก็ชวนไปดูถ้าอยากจะไปป่าชาก็ไปอนักันไปเดินงไปสองสามวันเดินวิชายสายเดินไปเนี่ยไปเพียงพอไปถึงป่าชาถ้าคุณเหลือหุ่นนิดนึงเราจะนั่งคนละมุมจะนั่งภาวนาก็ดูใจว่าเป็นไงดูใจใจกลัวไม่กลัวกลัวก็ใช้สัญญาแก้ไม่ใช้สมาธิแก อยู่ที่ภูมิของแต่ละคนหน้ามีอะไรช้าก็มีแค่นั้นแหละอาจารย์ดมีคือความเรื่อ ย, อยไหลนะคะก็มีมาสองครั้งคร <laughs> <laughs> ั้งที่แล้วที่แม่เล้นการบอกว่าให้เรานั่งพอสงบแล้วถึงเจียนา ใชคะเอาไว้แลูบอเอถ้าเราไม่สงบก็ทีเราก็ไม่ได้พิจารณตัที่คะโลกกลับมาก็นั่งคิดที่อานกันอู่เห็นไหมคะไม่ดีไม่สงบมันก็ไม่ได้พิจรณก็ือคิดไปคิดมาก็มืดมันก็มันก็ว่างมันกเหมือนกับสมองไม่ไม่มีหัวสองไม่มีติดว่างเลยนะเอ้ยตองสบตัวตา ถ้าพักมานั่งไอ้ไอ้บอลงมาสุกเที่อาจารยมันจะเป็นยังไงมันใช่ครับป่าเพราะไอ้บอลองมาสุกมันไม่เห็นมันจะสุกเลยมันแค่ว่างเฉยๆไอ้สุกของพวกนี้มันน่าจะแบบโอ้ยเหมือนถูกแบตเตอรี่หรือว่าถูกอะไรที่แต่นี่ก็แค่ว่างเหมือนไม่มีสปองแบบจิตว่างไงไม่เห็นมันสุกแบบที่ว่ายังไม่ใช่ละมันก็เพียแต่เจ็ตมันพักพักเบาๆแต่มันไม่ถึงกับสุกมันไม่รวมลงถึงฐานของมันอ๋อทีนี้ถ้าสุก จริงๆมันก็ต้องแบบแล้วมันเป็นยังไงเหมือนตกเหมตกบ่อตกเหวแล้วก็ลุกลงไปวิ่งเรียนังสบายมันจะสบายมันต้องอกโล่งใจเบาอกเบาใจเอาเทสต์อย่างที่ลูกปฏิบัติก็ยังไม่ชาว่างมันอะไรนี่ไม่ใช่ที่ให้พิจารณา หลังจากสงบไปมันจะได้ผลแต่จริง ๆ, งๆใช่ถ้าถ้าพิจารณาโดยที่ไม่สงบเนี่ยมันจะพิจารณาแล้วเพื่ได้ผลเท่าไรหร่ใช่ เ, เพราะล<ช>ูกไปเพราะว่า<ช>กิเลสมันจะมาคอยลบปนอยู<ช>่เลยพิจารณาได้ไม่นานเดียวมันก็มาเขียนมล้าทีมันมามาคานาแต่ถ้าว <ๆ S 1> เวลาจิตสงบแล้วออกมาจากสิตความสงบตอนทั้งกิเลสมันยังงงงงเยียอยู่ยังไม่มีแรงเพราะนั้นจิตก็จะ เพิ่จที่มีเหตุมีผลไม่มีอารมณ์พิจารณาความตายก็จะย อ, ยอมรับว่าตายจริงๆคือใช่ไหมคะท่านอาาสมมติโดยเวลาเราปฏิบัติมันพอมันลงถึงฐานได้พอเราหยิบขึ้นมาพิจารณาบางขณะเนีือเรายัางอยู่ในทางโลกเวลาเรามไม่พอมันเหมือนกับแ ม, มันจะต้องดูถึงขนาดไหนใช้เวลาสัก พลังหลายภาวะช่นนี้คือเวลาขึ้นไปเวทีชกมวยเนี่ยเราจะชกผีเราจะเราจะต้องเราต้องชกทุกเวลาไน่แี่ยตลอดเวลาพวกพู่ต่อสู้พวกชกเราตลอดเวลาก็แพ้เออวีเล่เขาทํางานตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาร่างน้อยเพียงไรนะก็ต้องหย่อนใหญ่ งั้นถ้าจะเป็นมวยสมัครเล่นก็อย่าไปหวังชิงเหรียญทองนิงเลยอะไกลเลยทั้งนั้นมันต้องบวชเนี่ยต้องต้องต้องปฏิบัติล้วนๆเนี่ย เราถึงตลาออกจากงานเนี่ยเราพิจารณาด้วยไม่รู้ว่าอะไรมันมันบอกว่ามันมันไม่ขอ <laughs> โอ้อนะขั้นสิทิ์รวมก็ยากมากเลยนในานจะว่ายากก็ยากจะว่าง่าย ก, ก็ง่ายมันอยู่ที่คนอยู่ที่บารเมที่ได้บำเพ็ญมานะคะเทคนิคนะคะอยู่ที่สติเนี่ย <c oughs> ถ้าได้บำเพ็ญสติามาก้างมันก็ง่ายพอจับพักมันก็ไปคุณแม่แก้วห้านาทีก็ไป <c oughs> พอมาเห็นผลตั๊มันรู้เลยนี่คืองานของเรางานอย่างอื่นไม่ใช่แล้วมีอะไรก็หาวิธีตัดมันให้ได้เพืจะได้มาทํางานนี้อย่ยเป็นที่กแต่เราเริ่มปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกเราตอนนั้นทํางานยังยังทํางานอยู่ก็เลยทําต่อยสองเดือนหลังจากที่ลองนั่นครั้งแรก แล้วพอจะได้เห็นผลบ้างเยมันก็เลยบอกว่างานนี้ไม่ใช่แล้วละงานนี้ต่างหาก็เลยก็เลยเรลา่างแต่ตาขาไม่ได้รวมใหญ่อะไรนะักเพียงแต่ว่ามันเจ็บปวดแล้วเราก็เริกรรมอนนี้จังอันนี้จังไปทักทักเดียวมันก็หายไปเลยอนนี้จังก็หายไปความทุ่งซ่านความกระสับกระส่ายความกลัวความเจ็บมะนรเนี่มันก็หายไป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 อยากจะปฏิบัติมากเป็นแข น, นทะวิริยะขึ้นมาแล้วรู้เวลาทำ ง, งานนี่เวลาที่มันนั่งมันก็ไม่ได้แต่นี่ก็เพียงแต่เป็นการนั่งลักษณะเองนะแต่โดยทั่วไปก็จะนั่งแบบรอยกรรมอ้กรรม ต, ตก็จะสวดจะสวนบทสติประฐานสี่ไปจิตก็จะรู้สึกเบาเย็นสบายแต่ไม่รวง แต่มันไม่คิดผูกสายไม่ชั่งช้านั่นาะนั้นก็พิจารณาทำไปเกิดแก่เกิตายเราไปมันก็เห็นว่าจิตเมื่อมันอยู่กับธรรมะแล้วมันก็มีความสุขมีความเพลิดเคยิมันไม่ไปคิดกังวลเรื่องสิปปาถามเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้เรื่องจะเรื่องคนนี้เรื่องคนนี้เรื่องแห่งกานไม่มีเวลาคิดน่พก็มันมาคิดในทางธรรมมันก็เพลิดเพลินมันก็มีความสุขแบบนั้น มันก็เลยผิดใจนะอยากมันก็สลับกันแต่มันน้อยเหมือนมันน้อยแต่ว่าเราเผลอนานๆมันก็มีโผล่ขึ้นมามันก็ทําให้หงดเหนียบชอบข้อยงดเหนียบเหมือนกันมันก็มีอยู่มากแต่มันมันไม่มากพอที่จะหลอกให้เราไปกับมันได้พอเราได้สติแล้วก็รีบพุกโธแล้วรีบวัยกรรมควบคุมจิตให้สงบมันก็หายไป เราพิจารณาไปที่ยวกลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมเียเวลาเหมือนกับเดินถอยหลังเดินมาถึงตรงนี้แล้วต้องถอยหลังไปอีกสิบก้าวก็เดี๋ยวต้องกลับมาเดินใหม่เสียเวลายอมอดทนดีกว่ายอมไม่ไปกับมันแล้วก็เดินลุยหน้าต่อไปมันก็เลยทําให้อยากจะปฏิบัติอย่างเป็นที่ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแล ถ้าใช้เวลาปีหนึ่งจะปฏิบัติ<ม>อยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ท้าย ม, มันอยู่ที่สงบไม่มีใครมารบกวนก็ดีมีบ้านอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านแต่บางทีก็จะออกการทางชายทะเลไปตามมุมสงบของที่ไม่มีคนเท่นท่านไปนั่งสมาธิหาแ บ, บแดดแค่น้ำอ่านหนังสือทำอะไาไป อยู่มาข้างสงนี้ยถกงตอนนั้นยังจินตนาการว่าอยากจะมีเหมือนกับข้อต่อแรกๆเงี้ยสี่เหลี่ยมนอยู่ตรงหน้าชายทะเลถ้าอยู่นถ้ามีอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้ก็จะอยู่นไปเรื่อยๆไม่รู้มันมันอาจจะเป็นของที่ผิดมาให้แตนเดิม ท่านที่กลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆก็คิดอยากจะจะสร้างกระตอบที่เป็นไม้ไผ่วงหลังคาย่างคาจากไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้ตะเกียงเขาพยายามที่จะจันจุดที่รวมขั้งแรกก็า<ม>าจาบรู้ว่าอันนี้จิดที่รวมแล้วขั้งต่อไปที่ ท่านพยายามแบบไหนคะที่จะมันจะให้เกิดอิทธิการแบบอย่างนี้ใหญ่ของเรานี่เราจะไปทางปัญญาคือเราไม่ค่อยได้เข้าสมาธิแต่เราจะคอยดูใจของเรามันชอบอยากนู่นอยากนี่เราก็พยายามขัดมันเกิดอยากบางทีมันอยากจะไปนู่นอะนี่เราก็ไม่ไปมันเือดจะไปทั้งมันหายอยากของไปเอยตอนที่มันอยากก็ทอนนั่งทุลมทุรายทรมานจิตทรมานใจ พอมันหยุดแลัวมันก็โล่งเมันกับมันมันก็จะใช้หลักนั้นเป็นเป็นหลักเก่งใ่มันชอบใส่เพ้นผ่านไปนี่มานี่เราก็ดูแล้วไปมันไม่ได้เห็นมีผลจะไปมันอยากจะไปของมันแล้วก็ไม่ให้มันไปพอไม่ได้ไปมันก็หมดจิตจิตมันก็ทุกขึ้นมาทุกข์ทรมานใจแต่เราก็ใช้สติดูมันไปมันไม่ไปหรอกยังไงก็ไม่ไปเดี๋ยวพอมันรู้ไปไม่ได้มันก็หยุด มันก็อยูดยา่าเนี่ยแล้วมันก็ขาดไปเลยมันก็สงบลงไปมันก็จะทันจนวันหนึ่งได้ความคิดว่าเราวันวันอน่่งก็ไม่เคยนั่งอยู่กับที่เลยทำไมวันนี้เราไม่นั่งอยู่กับที่สังวันหาทยี่สบายสบายมาสักตัวเนี่ยนั่งอยู่นี่นเอาน้ำมาวางไว้ตรงนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรจะนั่งสมาธิตรงนั้นก็ได้จะพิจารณาธรรมก็ได้ หรือถ้าเมื่อยจะลุกขึ้นยืนก็ได้หรือถ้าอยากจะเข้าห้อ ง, งน้ําก็เข้าห้อ ง, งน้าอย่างเดียวไปลุกไปเข้าห้อ ง, งน้ำได้ห้ อ, ง, องนั้นจะไม่เอาอะไรตั้งแต่ฉันนะคะกินอาหารเสร็จแล้วตอนสายสายก็การจะนั่งอย่า ง, ง น, น, นาั่งมันลุอยนะจะนั่งเขาเปิดไฟขึ้นมาถึงจะลุกจากที่นั่นต่อสู้กับความอยากที่อยากจะลุกไปทํานั่นทำนี้สู้กับมันไป สวยสมาธิสู้ด้วยพุโทโธบ้างสู้ด้วยการพิจารณาธรรมะ้าแต่ไม่อ่านหนังสือไม่ฟังอะไรเนะี่ยสู่ความาก่วนใหญ่เรจะไปงั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งดูล ม, ม, มหายใจ่างานั่งทสมาธิดูมหายใจแล้วก็พิจารณาทางกายพิจารณาการสารสพพิจารณาสางศร เนื้องินกับพิจารณาลูกเสียงกลิ่นรสโสสะพ้าพอเป็นไาแล้วพอเป็นทุกข์ถ้าทำอยู่อย่างนี้พิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามว่ารู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ไปแสวงหาเลยก็ไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปไปเสดุดูรูกเสียงกลงิ่นรสโสดสะพ้าเป็ย่า่าให้มันเฉพาะความจำเป็นกับร่างกายแค่ต้องรับประทานก็รับประทานเพื่อร่างกายมีอะไรก็รับประทานัป เพ่อไม่ต่างกันไม่ได้ไม่ได้จะเสร็จก็ปฏินน้ำตาลตอนต้นก็ตอนปีเดียวเนี่ยตอ น, ตอ น, ต, อนตอนที่เป็นคาราวานตอนที่เราออกจากงานแลาวพอครบปีก็ถามตัวเองว่าจะเอาอย่างไรต่อมันก็บอกถึงจะต้องไปหัวนั่นแหลเพราะยังต้องการปฏิบัติต่อแลก็ไม่กลัวเรื่องห ว, วนนะตอนแรกก็กลัวก็ กวว่าเวลาไปโบสถแล้วจะต้องมันก็ถูกกักเท็นกักบริเวณไม่มีอิสระจะไปไหนมาไหนทำอะไรไม่ได้ลังใจแต่ตอนนั้นใจมันก็ถูกถูกกำจัดแล้วไอความอยากจะไปไหนมาไหนในช่วงปีนั้นก็เคยไปเหมือนกันขึ้นเหนือล่องใต้ภูเก็ตก็ไปเชียงใหม่ก็ไปลาวก็ไปเพราะมีคนมาชวนไปมีสปอนเซอร์ชวนไปแล้วก็ไป ตอนน้นเราไม่มีงานเที่ยวแต่เขามีสปอนเซอร์ก็อยากจะมีเพื่อนไปเขาก็ให้เป็นสปอนเซอร์เราก็ไปมีคนนึ่งเขาเช่าบังโกโลไว้ที่ภูเก็ตเขาว่างอยู่เขาบอกถ้าอยู่อยากจะไปใช้ก็ไปได้เป็นสลากเขาก็ให้ค่ารถค่าอะไรเราไปเราก็ไปก็ไปอยู่นอนบังโกโลที่ภูเก็ตคนเดียวอยู่ชั่วอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกลับมีมหลากอคนอยากจะไปเที่ยวเรา เขาก็ชวนเราไปเป็นอนะเราเข้าไปเขาก็จ่ายให้ค่ารถค่าอาหารค่าอะไรแต่ไปแบบแบ็กแพ็คไงไปแบบทั้งรถไฟไปอยู่ตามเต๊ดเท้าอะไรที่ลาวไปไปเยี่ยมกันไปหลวงพ้าบางนี่ยขึ้นเครื่องจากหลวงพ้าบางไปลงไปลงชินรรยที่สายแดง เครื่องม่แกเคื่องสันสมัยนะเครื่องีซสามที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเค่งเล็กๆที่มันยังมีล้ออยู่ข้างหลังแล้วก็ล้ออยู่ข้างหน้าล้จอดมันก็จะนั่งได้ประมาณทั้งยี่สิบคนหลังเล็กแล้วของลาวมันก็บรรชุกทั้งไส่ทั้งหมูทั้งรก็แปกดี <c oughs> เขาใจรู้ท่ า, าเขาคือเขาลงข้างนั้นนะเขาอยากจะลงอีกรู้ท่เนี่ยทำยังไงคุณจะรออย่าไปอยาก ไ, ไม่ได้หรอกทาเหมือนตามตอนที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พอนานไปตามปกติแล้วพอมันพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดอะไรไม่ลงก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้มันมีไอ้นี่ไว้มันจะลงก็ต่อเมื่อเราต้องนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาตอนนั้นนะมันถึงจะมันจะลงได้ หรือไปอยู่ที่ตัวฟัวมากๆแล้วมันต้องบริกรรมอย่างเดียวส่งจิตไปหาคามฟัวไม่ได้มันเป็นจะลงสนาจมันจะลงข้างแรกให้เราั้างเดียวถ้ามันอยากจะลงอย่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนเหตุการณ์หรือมาเช่นนั้นการบริกรรมของเราเป็นแบบมีสติอย่างต่อเนื่องอย่างเต็นที่อย่างขชงทิ้งแม่แก้ว อ, อย่างนี้อันนี้กั้ ก็หลงได้ทุกครั้งถ้าเราเกอะไปทํางนา น, นก็จะหลงให้เราทุกครั้งมันกให้เราเกอะติด อ, อยู่กับการบริกรรมแล้วลนะกันอย่าไปคาดถึงผลที่จะได้รับวหรือคิดถึงผลที่เคยได้รับวถแล้วถ้าไปคิดอย่างนั้นปั๊มันไม่ได้บรอยพันมันไม่ได้อยู่กับการบรอยพันโดยความใจเรื่อยๆหรือแม้จะไม่รู้มันก็จะมีพาน ความสบายใจความเพลิดเพลินกับการบริการแล้วมันจะเป็นอุเบกขาตุแบบอยูคือมันจะไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆภายนอกมันจะอยู่กับบริกรารเราสามารถใช้ได้ในขณาดที่เราทํางานเวลาทํางานเราก็บริการมบริกรรมไปมันเราจะไม่ค่อยไปนั่งวิาพากษวิจารณ์คนนั้นคนนี้มันจะไม่หวนเรื่องนั้นหวนเรื่องนี้อยู่ในใจเราก็บริการไปมีหน้าที่อะไรล้วก็ทํำของเราไป ส่นใหญ่เนี่ยเราสิตขเราจะส่งออกยึดถ่ายเวลาเดินไปทำอะไรไปกมองคนนั้นมองคนนี้มองสีนั่งทีงนี่นน้วกระวนไปที่ภาพมีาการไปแล้วก็ชอบแสไปหาเรื่องไปพูดไปว่าเขาหมั่งอะไรมั่งไปแย่เขาหมืองอะไรแต่ถ้าเรามีเว้นจังอยู่แล้วต่อไปมันจะไม่ทําอะไรกับใครจะอยู่กับงานกับการมีู่กับตัวของเรา นอกจากว่าเขาพูดกับเราเราก็ตอบเข้าไปแต่เราจะไม่ไปเสนอหน้าอต่อไปปล่อยเขาไปไม่ต้องไปทักทายใครถ้าไม่ไม่ทักเราก็ไม่ทักเขาถ้าเิดหลวมมันเป็นเหมือนคล้ายกันเหมือนพิรุษศีลหรืออะไรหรือาที่เราจะต้องผ่านอันนี้เราถึงจะไปด้วกันได้ถ้าเราไม่ผ่านไม่รวมปุ๊บเราก็ไปไหนไม่ได้มันมันเป็นผลไงเป็นผลที่จะทําให้เกิด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 ดำเนินไปคืออย่างน้อยก็ยังมีศรัทธาคางเชื่อมีความกลัวหรือว่าถ้าไม่ได้ทำน้อเดียวจะตกจะตกเครื่องบินอ่าจะตกรถไฟทำไปแค่น้อยได้กันดีกว่าไม่ทำพี่ชายคะสติก่านมีก่านมีสติในทุกชวันเน่คือบางทีมันไปอยู่ทีกายบางทีมันไปอยู่ที่ใจแล้ว่เแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้ได้ได้มีที่ไหนก็ได้ ท, ที่วันนี้เวลาเวลาส่วนให่จะอยู่กับบ้าแล้วก็จะใช้วิธีตามรู้กายดีใจว่าแต่ว่าอะไรเปนเด่นขึ้นมาที น, นี้บางทีความมีสภาบันเข้ามาเนี่ยพรมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วก็จะพยายามปรุงรังไกรัษ แ, แล้วมันก็จะเกิดนี่โดวิธีการหนี่งก็คือว่าโดใช้ลมหายใจนะะโดยโดยไม่ได้แบบนั่งภาวนาลันนาหรือเดจงกรมเป็นช่วโมงชัว่วโมงแตพยายามดลินกลับไปกลับมาอย่างตลอดทั้งวันอย่างนี้ก็ได้นีคะ ก็ต้องเพิต้องนั่การนั่งภาวนาเจริญนาเมืนที่ที่คนอื่าทเลยว่าที่นั่งนานาก็อยากจะให้นั่งให้มันเจ็บให้ ม, มันเจ็บแล้วจะได้ผ่านความเจ็บนั้นผ่านวิทนาคือปล่อยวางวิทนาแล ใ, ใ, ให้มันเป็นไปตามจานน่องของมันเพาทุกวันนี้เรารู้สึกเราสงบดีดีความสุขดีใช้ประจำมาแล้ว แล้วก็มันมีความสุขรือว่าทำอยากได้แบบมอยากเป็นมน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็นกนกนกนกคือว่าเราก็ทําตันเรือต่อไปเรื่อยๆหรือว่าเราควรจะเพิ่มคืออยากจะให้ตัดไปให้มากๆตัดไปเรื่อยๆตัดลดลงไปเรื่อยๆอ่าคือไม่ให้หาความสุขจากภายนอกเลยแต่หาความสุขจากจากในตัวเราเเหมอนที่ให้นั่งอยู่กับกับยี่กับเจ็ดแดชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไปทำํำเวลา การภาวนาได้เป็นการจะเป็นใช่ไคะการภาวนามันภาวนานี้มันไม่ได้อยู่ที่การนั่งมันอยู่ที่สติกับสติกับปัญญาแต่มันก็อายเรียบบททั้งสี่เปลี่ยนลงไปเปลี่ย น, นมาเพราะเรียบบทนี่เป็นเรื่องของร่างกายแต่การภาวนานี่เป็นเรื่องของจิตดงั้นจิตภาวนาได้ทั้งสี่เรียบบ นแต่ยาบุตรคอนอนนี่มันจะไม่ค่อยได้ผลเาไรเพราะมันจะเป็นยาบุตที่สบายจนกระทั่งเมสติมันจะหลับไปส่วนใหญ่บางึง น, นิยมใช้สามยาบุตร่างกายก็ต้องเปลี่ยนอยาบุตไม่เช่นนั้นมันก็จะทุกข์ทุกการยากถ้ามันนั้งนานๆมันก็ควรจะยืนบ้างควรจะเดินบ้างเดินานานๆ ก, ก็ก็ลับมานั่งบ้าง แในในอีรยาบุทั้นสาวนั้นก็ให้มีสติควบคุมจิตยอยู่เสมอไม่ให้จิตออกไปไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ให้ไปสู่เรื่องต่างๆให้อยู่กับตายรักให้อยู่กับสติสฐานสีอยู่ที่กายก็ได้พิจารณากายอยู่ที่เวทนาก็พิจารณาเวทนาพิจารณาเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้ น, เ ข, เ, น, น, นเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็รู้ไม่เราไม่ต้องไป ตับเวทนาเช ent, ่นร้อนเราก็ไปติดเครื่องรับอากาศไม่ต้องไปตับมันปล่อยให้มันร้อนไปเราตับใจหนาวก็ปรับใจถ ı, <re ้าสําหรับร่างกายก็อาจจะต้องมีผ yes. ้าห่มกันหนาวว่าร่างกายก็อาจจะเจ็บไายได้ปวดได้ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรปรับอย่างนั้นไม่ได้ปับตับเพื่อกิเหล็กตับเพื่อร่างกายก็ตับได้แต่ถ้าจะปรับเพื่อที่เหลืองก็อย่าไปตัด เปนมันร้อนเนี่ยพอทนได้ก็ทนลงไปนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดทนได้ก็ทนอย่างไปทำใจให้เป็นอุเบกขาด้วยการเวรอยคมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการพิจารณาดูความเจ็บปวดจริงๆว่ามันเจ็บจริงหรือเปล่าเออเราไปมีอุปทานไปว่ามันเจ็บเองเราไปมีทีเลสไปรังเกียจมันไปอยากให้มันหายเองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากทามอย่ากนี้ซึ่งมันมันรุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ยอมรับกับความเจ็บของร่างกายได้ความเจ็บทางใจคือความทุกใจอริยสัจแค่จะไม่เกิดเพราะไม่เกิดนั่นมันก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไม่ต้องกินยาแก้เจ็บต่อไปไม่ต้องกินยาแก่เจ็บ ที่ร่างกายนะมันไม่ได้เปิดที่ใจส่วนหญที่กินยาแก้ปวดนี่มันมันเป็นจิตวิทยาเพราะได้กินยาแล้วรู้สึกว่ามันเบาขึ้นก็สบายใจขึ้นมาเพราะไม่เคยฝึกใจให้รับความเจ็บปวดของร่างกายพาร่างกายเจ็บปวขึ้นมาก็ามีปฏิกริยาซ้อนขึ้นมาความทุกซ้อนขึ้นมาถ้าเราฝึกทำดับปฏิกิริยาทางใจได้แล้ว ข้างจะปวดทางกายก็จะไม่อินเลยจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มันไม่แต่กระทบกับใจที่ทนไม่ได้ก็เพราะความความทุกข์ทางใจที่ทนไม่ได้เราพุทธเจ้าพระหลานท่านถึงไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายเพราะจิตใจของท่ไม่มีปฏิปยากับความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายจิตใจเป็นอเิสรา มันมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสติสที่เป็นเครื่องมือที่จะรักษาใจให้เป็นเอกขาให้ปลอดวางได้ดังนั้นก็ต้องทําไปเลยทาไปสมาธิกับปัญญานี้สลับ ก, กันไปทําลงไปสติก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดเราจะว่าไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ได้อยากจะมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากต้องการอะไรแค่นั้นอยากจะอยู่ตรงเดียวอยากจะอยู่ที่อย่างเนี้สบายทังที่ชีิตประจำวันเราเห็นอารมณ์เห็นจิตเราออกไปข้างนอกมากทาี่มันแสดงว่าเรามีสติมากหรือไม่ก็ได้ก็มีเพราะว่าไม่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เห็น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 อันนี้คือเราต้องการแก็ปรุงลงไปถ้าไม่หยุดปุงเห็งไม่ยินมหยุดปรุงไม่ได้กลงไปแล้วออกมก็จะหยุดจะสกดใชไหมอันนี้มันจะวไวไวแล้วต่อไปมันมันจะเห็นเฉยเฉยถึงป่ามันจะเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยเฉยถ้าเห็นยังมีอารมณ์อยู่ก็แสดงว่ากิเลสยังทํางานอยู่ถ้เห็นแล้วเฉยเฉยแสดงว่ามันไม่มันไม่ทำแล้วก่อนที่โกดเป็งศอกไปแล้วหรือตัวอ้าวเรียบร้อย ตอนนี้มันก็คือกระโดดตับมาอย่างนี้มันเหมือนมวยทันขึ้นมาขึ้นมามันต้องลงไปที่อันนาตามองอะไรเห็น้่ไมันมีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นเพียงดินน้ำลงไปม็ไปเพาะโห่กับลมทุกอน่างลมมันพัดเสียงมันดังเป็นไปไประโดดกับลมทุกอย่างใช่ไหมเวลาฝนตก เปียกฝนมาเนี่ยเป็โมโหโมโหน้ำหรือป่าที่มันทำให้เราเปียกในเวลาเดินไปคนที่สาดน้ำพอดีเราโดนจ้างเข้ามาเนี่ยโกรธขึ้นมาจนระิงๆก็น้ำเหมือนกันคนสาดมันก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไปเห็นึันนะมั น, น, นมต้องเห็นทั้งนะนถึงขั้นนั้นหนาะ แล้วมันมันก็ถ้าเห็นอย่งงั้นมก็จะเห็นว่ามันว่างกินนมัสก็ท้นเลยถุงเนมัสเ็แล้วก็ต้องก็ต้องเกี่เกี่ยวเข็นต้องถูกครูบาอาจารย์ด่าอย่างนั้นอยนันก็คือเราก็ลงสัจจะญาติขีดได้เลงสถาบันจิตนั่นแหลนั่นแหละมันก็ตรงนั้นแต่นี่ยมันเป็นภายนอกสัจจะญาติขีดและภายในมันก็มันก็ว่างจากตัวตนอยู่แก่ ผิดก็ไม่ใช่ตัวตนผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารความที่ปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวตนเมตนาก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวธรรมหมดเหมือนกับดินน้ำมีไฟแต่ภายนอกมันเป็นรูปประธรรมดินน้ำมีไฟแต่ภายในนี้มันเป็นนามธรรมเมตนาก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกับแข่งเหยื่อยอย่างเี้สัญญาก็เหมือนกับแข่งเหยื่อห้อยสังขารก็เหมือนแข่งหหยื่อยเมญนาก็เหมือนแข่งเหยื่ห้อย ม่แต่เพราะว่าเกี่นบ้างาว่าพระพุทธเจ้าก็าบอกว่ามัชฌิมานี้ก็ยังเป็นสมมติไหมใาเมื่อเมื่อถนี้มแล้วทอย่างที่เป็นธรรมก็ยังเป็นถึงว่าเป็นไดขที่มันถึงตรงๆนั้นแล้วมันมันเหลือทุอ่างคลิมุนมันไม่มีคำมันไม่มีภาไม่มีภาษมันปรามันว่างหมดมันว่างจากสัสตว์จากบุคคลจากอะไรจากสมมติบัญญัติทั้งหมดศักดิ์แต่ละดวงแต่ละดว ถ้าดูหนังเรเหมือนหนังสมัยโบราณไม่มีเสียงไม่มีภาพดูเฉยๆแต่เราชอบไปแปรมันเองถึงแมกไม่มีเสียงภาพล้วก็ยังไปแปรภาพที่เราเห็นแต่ถ้าจิตมันว่างมันจะมองว่าเฉยๆแล้วก็เป็นภาพเป็นแสงก็ได้เป็นแสงชนิดต่างๆบนจอต่ก็ไม่ได้ปราศจากสมมติสมมุติก็รู้ก็ใช้ได้แต่ไม่หลงสมมติทม ใช่แลวมันไม่หลงสมมติรู้ว่าคนนั้นเป็นนายกรู้ว่าคนนี้เป็นอาจารย์รู้แต่ก็รู้วิมุต ด, ด้วยว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ําลงไฟก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะกับสมมุติผู้ใหญ่ก็กราบท่านผู้น้อยก็รับไหว้เขาแต่มันเสมอภาคกันทางด้านวิมุตตเหมนดินน้ําลงไฟเหมือนหมด มัจนจะมีน้ำลงไฟด้วยกันนะคเป็นซากศพด้วยกันนะีใครไม่ตายหรอนะนี่นแหละถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็มันก็หายหลงเออตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ความสูงความจางนี่มันไม่มีมันเป็นสมมุติเป็นละครเป็นบทละคร โลกเขาเขาเขาคิดเขาเขาคกันเขาคิกันเราอยู่กับโลกเราก็ต้องเคารพสมมติไม่ใช่ไม่เคารพตลกบางทีมีพระบางรูปนึ้เขาเขามีทิฏฐิก็ไม่ยามไหว้พระผู้ใหญ่เขาก็ว่าคุณธรรมไม่ถึงเขาพราว่าเพราะว่าภาษาไม่สําคัญว่าสําคัญที่คุณจะรำเราเรียว่าเนี่ คนเป็นที่ไหนก็วัดันึ่งบาทคุณธรรมที่กวาดดูว่าถ้าคุณธรรมก็วัดกันได้คุยกันมันก็รู้ว่าคุณธรรมสูงก่ำเป็ไงแต่สมมุติก็ต้องสมมุติท่านมีภรษามากกว่าเราเจอกันก็ต้องกราบท่านถ้าเราไม่อยากกราบท่านเราก็อย่าไปเจอท่านท่านมาทางนี้แล้วก็เดินไปอีกทางเรงยบไหมแต่ถ้ามันมันไม่เสียมารยาทมันต้องแสดงคารวะมันก็ต้องแสดงเงินฝ่ายตาม สามเรื่องครนั่นงแต่ใจยมยนไม่ได้มีคารวะคารวะด้วยมันคารวะาการกดของสมมุติฐานก็นเป็นกติกามันก็เล่นฟุตบอลเนี่ยเก็มีกติกาที่เรากต้องต้องเคารพกฎทํางานในบริษัทก็ต้องเคารพเพราะเป็นเจ้านายเราแต่คุณธรรมก็อาจจะต่ำกว่าเราแคนเพราะยังไม่รักษาศิทธิ์หเ้เรารักษาสีทธิ์ห้าแต่เราก็ยังต้องไหว้เขา เราต้องเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เราถ้าทางไปนั้นเงินหมดนครทำว่าเราใช้สมมุติเดินเข้าไปสูมติอยงไรเราใช้ธรรมะเพื่อให้ปล่อยวางสมมุติจะง่ายกว่าแต่สมมุติมันก็มีทั้งฝ่ายฝ่ายก็เรียกว่าฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีก็แล้วกันฝ่ายดีก็เป็นกิเป็นธรรมฝ่ายไม่ดีก็เป็นกิเล กิเลสก็จะยึดติดใจในอัตตาตัวตนธรรมะก็บอกว่าไม่มีตัวตนต้อมาแก้กันอนิจจังทุกขั้งนัการนี้ก็เป็นเป็นเป็นสมมุติฝ่ายดูพอมันหลุดแล้วทั้งอนิจจังทุกงังนักจารยทั้งกิเลสมันก็หมดหมดปัญหาไปไม่ต้องพิจารณาตาลรักหรือตอบ ไ, ไม่ต้องกินยาต่อครับหายจากโรคภัยแล้ว เมื่อจิตมันตักแต่ว่าแล้วมันเห็นอะไรก็สักแต่ว่าแล้วเหมือนก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปพิจารณาอะไรคนะที่สัมค่ะคือเออถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยพี่อยากพี่ยากปฏิบัติคล้ายๆกับแบบการที่เคยเจอสงบมันเหมือนจะไปได้ขึ้นทางนะคะแต่มันจะไม่สุดเหมือนกับที่เราเชื่อเหมือนกันนะค ะ, คะอาจะเป็นเพราว่า เราไปคาดหวังมันหรือว่าเราจิตมันไปเจิดจอเขาก็จะต้องให้ได้เจออนยะ่างนั้นเพราะว่าทั้งแรกไม่ไม่ได้คิดว่าจะเจอเพีนี้่มงคี้ถึงแต่ว่าคิดถึทงทำที่อาจารย์สอนนะคะว่าการเจอจับของจิตมันเร็วมากก็แบบมันมันก็เร็วมั น, ม, นมาเองเลยที่แบบเราก็ไม่คิดว่าจะเร็วได้ขนาดนี้ mm hmm. แล้วมันก็ก็เป็นหนังนก็จะเหมือนดั้คือดูฟิลเจอรมันรึ มันไม่ถูกมันยังกลับไปที่เดิมนียไหมันมันกลับมันไปเรื่อยได้เองแล้วแล้วเร็วมากนะคะท่านอาจารย์คือแบบว่าดูไม่คิดอะไรเพียงแค่ว่าท่านอาจะบอกให้ทำกันบ้านก็ทํำท่างที่ว่าทุกทีก็ทำแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆก็วันนั้นก็แบบลองลองลองดูซิว่าทําได้ไหมก็เลยทำทำไปเรื่อยๆอกว่าแค่ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ท่านบอกว่าอ่าการจับจับของจิตนี่ทีจิตนี่มันเร็ว ทำเร็วมันเร็วมากเลยถ้าเปิดเราเราไม่ไม่คุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนิ่งนิ่งได้ก็เร็วเร็วเร็วแล้วนี่มั น, นมันเร็วจนแบบเราควบคุมมันเร็วก็ได้ขนาดนั้นเอนกันนะคะแล้วมันก็่ายเลยหายได้แตเสั ก, ก, ก, ก, กเดียวแล้วก็มันก็หายราไมรู้ว่าเรื่องนันหายไปแต่ทีนี้พอไปจะมาทําอีกครั้งหนึ่งมันได้เหมือนกับว่าเราเล่เนไปครึ่งทางแล้วก็ หมดแรงมันไม่จมบอยู่แค่นั้นมันไม่ฟลิไปมันหอนแรกก็มันไปแล้วมันไปได้ตลอดอย่างนี้ค่ะมันเราต้องไปอยากจะอยากจะทําอยากยาให้ความอยากเพราะเราไปคอยคอยคาิดแต่ทั้งกเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมันเลยมันก็เไปได้ตอนนี้เราก็ต้องทาแบบว่าไปเรื่อยๆอุทธรเราต้องต้องเไม่ต้องใส่ใจกับมันไปเรื่อยที่มันอาจจะต้องไปยาวแล้วมันต้องเป็น long m า r ชละให้คุณโจะเป็นอย่างงั้นจะต้อง มันก็จะอาจจะต้องนั่งไปเรื่อยๆถ้าสติดีมันก็จะสงบแล้วมันก็จะไม่เจอความเจ็บปวดแต่ถ้ามันไม่สติไม่ก็ดีนั่งไปเลยมันจะเจอความเจ็บปวดตอนนั้นเราก็ต้องใช้การเวรอยกรรมเพื่อให้มันผ่านความเจ็บปวดนไปไห้ได้แต่ของของลูกที่ทํามาตอนที่มันหายไปเนี่ยมันมันมมัเจ็บนะครั้งแวบหนึ่งแล้วพอมันสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาอยู่สภาพติเยื่ คือคํามเลืนาก็เริ่มเกิดแต่ยังยังยั ง, ย ง, ยงคนได้ <S <S ไปถ้าเท่าก็เป็นแค่เป็นเจ็บของมันข<แ>ไขมันจำอะไรทีนี้เลิกปวดมืนเดิมนะทีนี้พอพอลู้รู้แล้วว่ามันต้องเจ็บอีกแน่ๆเลยก็ยพยายามภาวนาภาวนาไปคือถ้าจิตเกาะอยู่กับคำที่เราบริกรรมอยู่อันนั้นนะคะโดยใช้ความมุ่งควสมควรคือเพิ่มเฉยต่อทุกอย่างในกรรมเนี่ยมันก็จะหาจุดช่วงหนึ่งตอนที่จิตเกาะนิ่งแต่ทีนี้จิตของของู้เนี่ยมันยังไม่สงบยังไม่ตามเลยอันนั้นไปได้ตลอดว่าฝัง พอเดี๋ยวปุ๊บมันก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับมันไมขึ้นนึงคือมันเริ่มเริ่มแล้วแต่มันทำไม่ตลอดต้องพยายามทาต่อไปทาต่อไปแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆคือหมายความว่ามันคงจะไประหมดแรงไปก่อนใช่ค่ะมันเหมือนมันหมดแรงมันหมดมันมันหมดง่ายอย่างเงี้ยก็ไม่เศร้ว่าต้องมีเท่านั้นเนี่ยตีเทนั้นก็ต้องพยายาม แต่ตอนที่มันคือเหมือนว่ามันเริ่มสปะติกขึ้นมาว่าเรารู้แล้วมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้ว่ากับมังเป็นความรู้สึกว่ามันรู้ว่าในการโนว่ามีสิทธิ์ว่าจะไปได้เหมือนคนที่เจอคนแรกแต่พอไปได้แค่ครึ่งเดียวมันเฉยจบมาเหมือนจะวิ่งเกือะไรงที่ว่าเหมือนเราวิ่งคุกคุกคุกไปแล้วก็รู้สึกแบบนี้คือทีไมทําให้มันค่อยค่อยค่อยคไปแล้วก็ไม่ต้องแรงมากก็ได้แต่ไปสึงจุดหมายอย่างเนี้ย หรือม่รแกต่สภาวะจุดของกันไม่ได้ไงเราไปรีดร้อนเองรีนร้อนแล้วเราไม่มีแรงพอที่จะใช่เหมือนเราไม่ได้วอร์มอัพเราไปวิ่งวิ่งอีกสักนิดนเราก็ต้องทำไปตารกำลังของเราใจใจเย็นๆเวลาเยอะเวลาทมเยอะ จะเป็นแบบพวกมักง่ายทำเร็วๆมันเสร็จเร็วๆรักรักเมื่อเระแต่ของลูกจะรู้สึกว่าเขาดีใจค่ะก็เราก็ทต่อไปทาใหม่ันของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าตอนที่มันเกิดตนแรกมันเกดเพราะควาเร็วก็เลยคิดว่าต้องใช้ความตอนจะเจอความเจ็บไม่อยากไปถอยแนาำต่อไปทนั่นที่เคยทาแล้วอยากไปอยากให้มันหาย เมือราวที่เคยทำอย่าไปคิดเองมันก็ทำไปนะให้อยู่กับทำบริกรรมไปเรื่อยๆเหมือนกที่เราเคยใช้วิีได้มันโอเคแล้วพอจะใช้อีกใหม่อีกัไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องทาใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ที่กำลังส่งครัเดี๋ยวาเดี๋ยนะที่ห้งพยาบาล ทุนรการโงพยาบาลวัฏยานคุณหม่ยเรามารับตําแหน่งแล้วก็เลยมามาคารวะก็เป็นคนแรกที่มาทําความรู้จักกับพระเป็นอ่างที่มากันเข้าไม่ไห้สนใจว่ามีอะไรเพียงแต่มาทําความรู้จักกันก็ได้เผื่อมีอะไรที่จะต้องประสานกันอย่างไรก็ได้ โรงพยาบาลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของในหลวงอยู่ในโครงการของวัดยาณขนมวัดยาใหญ่มีวัดมีโรงพยาบาลมีศูนย์อายุมีป่าไม้มีชมรัฐทานมีเกษตรกรรมมีพัฒนาที่ดินมีประสุสัตว์นี่้ือ ตรปรารถนาที่จะให้หน่วยงานมาดูแลตามหลักสูตรหลักฐานของประชาชนโครงการควบวงจรข่าวโรงเรียนโรงเรียนก็มีของสมเงินระสั่งการไปสั่งการลงสร้างโรงเรียนระดับมัธยมต้นโรงเรียนถึงโรงสายเป็นโรงเรียนกินนอนรับเด็กยากจนที่มีความเป็นพืชที่ดีตาม ตังจังหวัดชายแดนตาจีนจาาสะแก้วมาอยู่เรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมกินนอนมีเงินกองทุนสำหรับโรงเรียนที่สรงได้สร้างไว้แล้วเด็กพวนี้พอจบม .1 ก็จะจับบนสัมมนา15วันก่อนที่จะติดเทื้อขับบ้าน แล้วปีั้งไปเขาก็จะเป็นที่เลี้ยงของน้องใหม่น้องนองหม่ที่เข้ามาใหม่ทำนี้ไปเด็วก็ทางโรงเรียนก็เน้นวิถีพูทธสอนให้โรงเรียนจะหยุดวันวันพระกวันโกนไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เดียนะนโกคนแล้วมีท่าไปอบรมสั่งสอนเป็นแตาวันพระวันโกนก็จะเข้ามาทำพิจา ก, กรรมในวัดนะเพื่อปัดขวาดทำความสะอาด ันภาก็จะมาทำบุญตักบาตรทำเทศคํธรรมแต่ไม่ได้มาทั้งหมดก็จะจัดเป็นเป็นกลุ่มมานี่เป็นโครงการของตำรวจกตางคลาแต่มีเพียงแค่มอส า, ามเท่านั้นจบจากมอสามแล้วก็ต้องไปไปนินตตอที่ บ า, บางคนก็ไปทางอาชีวศึกษาบางคนก็ไปเรียนต่อมอสามมีกลับไปที่บ้านก็จะถามอะไรถึงคิดไม่หมดก็จะถามอะไรก็หาลังเรื่องี้ยากสุดอีกหัวเร ไม่อยากเกิดก็อยากเที่ยวเพราว่าอยากเที่ยวมันก็เป็นมันก็เป็นเหตุของการที่ทําให้ไปเกิดนะไม่อยากเกิดไม่ต้องนั่งเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดื่ไม่ต้องรับประทานอะไรรับประทานแต่เท่าที่จําเป็นสำหรับร่างกายเดื่ดเดือดเท่าที่จําเป็นสาหรับร่างกาย ถ้ก็ไม่เกิดต่อไปก็จะไ ม, ไมเกิดอยากใี้มันเป็นความฝันอันสูสุด๋ <c oughs> ย่าให้มันเป็นความฝันใช่ถ้ามันเป็นความจรงิง <c oughs> เกิดม า, าทั้งทีเจอของดีแล้วเันไม่ทำให้มันเป็นของจริงขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่จะไปเจอของอย่างนี้มีจริงก็แล้วก็ะายกระายใส่นที่ใหญ่ตรงนี้กะใชน การอยู่บ้านอยากมากับหมอฟังเที่ยวท่านอาจารย์วิจิตรกิเลสจัป็นกิเลสเองก็ไดกิเลสมันจะว่าจะว่าเป็นกิเลสก็ได้จะว่าเป็นธรรมก็ได้ถ้าจะว่าเป็นธรรมก็เพราะว่าเรายังต้องทุ่งพาสายการทํามันก็เป็นธรรมแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเราเราปฏิบัติได้แล้วมันอยากจะไปเนีมันเนี่ยก็จะเป็นกิเลสก็ได้ เพรมันอยากจะหนจากการประตุ้นกับแล้วยู่คนที่ชอบมันบ่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมบ่อยๆมันมันแล้วแต่สภาวะจิตไงหมายความว่าผู้ยอยู่ปสามอย่างนี้แทนที่จะขึ้นปสแต่อยากจะลงไปเรียนปสองอ่างนี้ก็อยากจะลงไปเรียนปสองมันก็เป็นกิเลสมันถอยหลัง มั น, มนใช้เปนข้ออ้างที่จะปฏิบัติใช่มฟังดีกว่าก็ อ, อ้างจะได้ออกไปนั่งรถเที่ยวไปดูนั่งอยู่นี่ <c oughs> ไปเออไม่จะได้ไม่ต้องภาวนาจริง <c oughs> ถ้าอยากจะฟังหนังสือก็มีให้อ่านเทศก็มีให้ฟังไม่เ <c oughs> ยอะยากเต็มไม่หมดฟังจนสิบปีก็ยังไม่ซ้ํำเลยที่ท่านเทศไว้อ่านไว้นี่เมือคืนลูกได้ได้ฟังพระอนุตพุกธานุชาเพราะต้งเรียนว่า คิดถึงท่านจันมากเพราะว่าท่านใจคงอ่านที่เป็นพกกระกรมโหชะอันนี้เป็นหลังจากที่พระพุทธเจ้าสับขันบริพารแล้วแล้วก็พระ ก, กรมพระพระอานนท์ไปนั่งในปร ะ, ปร ะ, ประดูไลายนะคะแล้วพระกรมโหชะเพิ่งบวชหลังจากพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วห้าปีบวชมาแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคือพระอนนท์เขาแบบว่าเข้าไปกราบแล้วก็พูดอย่างแล้วพระอานนท์ก็ทราบแล้วก็พูด แ, แ, แดบบว่าทําไมท่านมีนิสัยเหมือนแก ถึงชอบมานั่งในป่าเหมือนกันท่านนก็บอกว่าก็ตถาคตเจ้าก็เห็นว่าความสงบเป็นอย่างนี้เต่ว่ากัมพูชาก็บอกว่าตัวเข้าเจ้าเลยชื่อกัมพูชาแต่ว่าอยากถามว่าท่านมีนามว่าอะไรท้านนคิดคิดอยู่ว่าจะควรจะบอกดีหรือไม่บอกดีแต่คิดว่าการบอกเนี่ยจะทําให้เกิดปิติมากเอพระนวนก็บอกว่าก่อนที่เราจะออกบวชเนี่ยบุคคลในครอบครัวเรียกเราว่าเจ้าชายอนันทะแต่ว่า เมื่อเราบวชแล้วเนี่ยบรรดาบรรดาพระพิสุททั่วไปเรียกเราว่าพระอนันตเทระแต่พระพุทธเจ้าเรียกเราว่าอนุนนต์อนุนตลอดเว<ม>ลากาพูรบจ้าคุณลองได้แล้วค่ะที่ไปกราบเทา้าก็ไม่ลูกยิดว่าลัลลวคู่โชคดีมากเลยที่ได้มากราบกัน จ, จ, จ, จังจริงๆอันนี้มันเป็นความรู้จริงๆไหมคะกันจังเนี่ยแสงโคมในหัโถงจะหลั่มาสิงด้านในใจ ก็ไม่เป็นไรก็ก็เป็นความรู้สึกนคิดกมินกนคัวามรู้สึกินอ mm. คืมคือวิธีชีวิตเราควรจะเปลี่ยนอ่ะถ okay. pues ้าเราได้ยินได้ฟังทาง ถ้าเราฟังมากขนาดนี้แล้วมันไม่เปลี่ยนนี่แสดงว่ามันไม่สซึมซาบก็ไปในใจเลยแสดงว่าแย่มากมันก็มันต้องความหลงมันต้องน้อยลงเนี่ยอความน้อยสันโดษมันควรจะมีมากขึ้นเป็นแป้งค่ะปิ๊ก็เป็นแปลงทุกคนเป็นแป้งพัฒนาดนี้รู้สึกกักแค่ปัญญานีค่ะ นี่แต่คือเราคิดว่าทไมี่องไหนหรือว่าที่ทั้นผ่านตัวท่างไปนะครับเกียนเป็นสเ็ปไว้ที่สองสามสี่ห้าหเจ็ดเองก็มก็เขียนไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วมักแปกก็เป็นสเต็จแล้ว มันมันยังกว้างมากโอ้ยตาเย็นขนาดไหนันคีงแขั้นปฏิบนี่็นี่ก็บอกขั้นแรกก็เสติยก็บอกแล้วไะนี่ก็บอกแล้วไม่ฟังไม่เรื่องเรื่องหรือนี่อะไรนี่ก็บอกตื่ขึ้นมาก็ให้ตั้งเสติยรเนี่ยขั้นเสถียรหน้ต้องบอกหนึ่งียหลับตาให้เป็นสูตรเท่าันก็ยังไงก็เนี่ยตื่นขึ้นมาก็ให้ตั้งเสติยไปละ ก่อนจะลุกก็ต้องมาต้องมาลุกแล้วก็าขี่แล้วจะลุกเนะี<ม>่ยแล้วก็ดูดูดูความพ่จักการกระทำของเราควากำลังลุกแล้วนะความกำงยืนแล้วนะกาลังเดินแล้วเนะนี่ยก็สเต็ปแรกก็สอนอยู่แล้วแล้วิธีที่จะให้มีสติกา็าอย่าไปกินเหล้าออกินเหล้าแล้วมันต้องให้มีสติก็ไม่ทำเองไะ พอตึงนขึ้นมาก็ปวดผ่าแล้วเปิดนาฬิกาดูถึงเวลาระโกนเดียวทางไปถึงนู่นเลยอ่ถึงก็นี่ไงตั้งแต่เมื่อกี้ฟังนี้ไม่รู้แลยตั้ยแต่ต้องจนจบนี่สอนหมดแล้วติดแล้วก็ไปสู่สมาธิสมาธิก็ไปสู่ปัญญาปัญญาก็ไปสู่การหลุดพ้อันก็ชัดแจ้งแดงแจ๋อย่างนี้เราจะให้ละเอียดถึงขนาดไหน ทำมือก็ต่อรูดที่หนึ่งมาเอา่พูนไกฟันหัวนอตงๆต้เยอะมันเป็นเหมือนั่นไอ้ไอ้พัสโซมากกว่าต้งมามันเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ในนี้คุณไปหยิบต่อเอาสิถ้าไม่มีปัญญามันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีความภาคเพียนพอมันก็ใจถ้าใจร้อนมันไม่ได้หรอกมันใจเย็นเอาแต่ละชิ้นมาค่อยมามาปัติดผัดต่อกัน ่การสอนธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี่มันมันชัดยิ่งกว่าการการวิธีต่อภาพนี่เองต่อภาพก็ยังไม่ได้บอกว่าอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ไม่ได้เขียนเลยในชะ่อันนี้ยังบอกท่าที่หนึ่งก็คือสตินท่านที่สองก็คือสมาธิท่านที่สามก็คือปัญญามันบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ทะนะํามันแค่ไหนเนี่ยสามปีนี้ก็พูดแต่เรื่องเนี้ยร <c oughs> ม, มันเหมือนที่ไม่ค่อยก้าวหน้าไปยังไง น, นเหมือนการก็หลงคาท่านก็เทศในความรัศ <c oughs> มี ท, <c oughs> ที่ฟังเทศหลวงปู่ท่านเนี่ยเหมือนท่านเปิดตู้พระไตรปิฎกให้เราดูดูนิพพานดูอะไรพอ <c oughs> ท่านเทศเสร็จเหมือนท่านปิดตู้ <c oughs> <c oughs> พอป็ตู้พระกทหายหมดเลยตอนฟังนี้ก็เข้าใจรู้ <c oughs> หมดพอออกจากนี่ไปแล้วหายไปหมดแล้วไปคุยกันเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นไม่มากรบกอนมันไม่ได้เอาไปทา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 จริงแต่ของท่านนี่มันเหลือแค่สองเท่านั้นแหละคือทุกศาสต์สมุทรไทยมันไม่มีแล้วมันะมักก็ไม่มีความจริงของท่านนั้นผ่านไปหมดนะแต่มันยังอยู่มันมันรู้ว่ามันทํายังไงมันอยู่ในจิตขอท่านลูกไปเข้าใจดูกท่านเห็นตอนสภาพดวงกาแก่เนี่ยแต่เวลาท่านเทศนี่มีลืมเลยแต่ว่าค่นอื่นนี่รู้สึกท่านถามซ้ำถามซ้ำหนตลอดเหตุการณชื่อเรื่องอะไรทําอะไรไปเมื่อะไหร่แต่ถ้าทำมากไม่ลืมะ เวลาทไปักอนัก็เป็นเรอ่สเวลาเาถามว่าทองกิบาทีบาี่บาะ้ก็ทจดจำได้ท่างเยไม่ลยเดียวถรอ้ขจะลืมตรงนี้สักไอ้ไม่ลืเวลาจำะพรุ่งนี้จะไปทาอะไรบางทีก็ลืมหรือันเมื่อวานนี้ทาอะไรไปน้ก็ลืมลืมได้มัมีหน้ากัครไว้มคก็ลืมเ เมือ่อเข้ามาพอเป็นพอไม่ได้คิดถึงมนันก็ลืมเมื่อลราเนี่ยพอเราไม่คิดถึงธรรมะครับเราก็ลืมเพราะว่าธรรมะที่เราฟังนี่ยังเป็นความจาําอยู่แต่ว่ายังเป็นสัญญายอยู่ยังไม่ใช่เป็นความจริงแต่พอมันปรววากฏขึ้นในจิตแล้เนี่ยพุโทโธพุทโธแล้วมันวุ้บหายไปเนี่ยมันไม่ลืมแล้วล่ะอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าจิตกับสมอง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 ที่ร่างกายก็ต้องมีสมองไว้เป็นตัวประสานกับการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่ า, างๆสมัยฝันลูกยังมีสิ่งห้าสิ่งก็ห้าเป็นที่เลยที่รักษาไม่ได้ก็จะเถียงว่าจิตที่มีทั้งหมดทั้งหมดคือสมองตัวสังการแล้วเร า, าเรามาเถียงเราเรามาเถียงแล้วก็อเอา <ๆ S 2> ความรู้สึกนึกคิดของเรามาเถียงแล้วก็เรามาเรามาปฏิบัติเรามาเรียนรู้เราทราบเป็นเงื่กนงำกันอ แ้วจิตสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เป็นส่วนของร่างกายถ้าอย่างนั้นจิตของพวกเปผีเนี่้นะคะท่านเองคะเพราะเป็นผู้นั้นไม่มี้วถือว่าจะก้ายไปแล้วก็จะมีแต่แต่ถ้ามตดวงจิตที่มีแต่ความโลภเป็นตัวนาเป็นตัวเด่นตัวนํามันก็โลภขิวมันก็เป็นไปเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องมือที่จะทําความดีหรือจิตตรงนั้นทําได้ค่ มันไม่ได้อะไรจะให้มันทำความดีตอนนั้นมันอยู่ในภาวะที่มันความหิวไงก็มีแต่อยากจะได้อยากจะกินอย่างนี้หรือถ้าอยู่ในภาวะกลัวมันก็กลัวอย่างเดียวหรืออยู่ในภาวะสงบมีความสุขมันก็เฉลิความสุขนั้นไปมันก็เป็นเทพไปซึ่งจิตอยู่ในภาวะที่ที่นทีมีมีแต่มีแต่ภาพทิพย์เสียงทิพย์ปรากฏให้ได้สัมผัธ์อยู่ เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันดีเพราะตอนนั้นก็จิตส็เป็นเทพเวลาที่นอนหลับนกฝันร้ายจิตก็เป็นเป็นเรกก็ได้เป็นนารมณก็ได้เอราะนั้นมันไม่มีมันไม่ได้อาศัยร่างกายจิตเป็นหัวจิตจิตเป็นหัวยังไม่ต้องมีร่างกายมันก็มันก็ยั ง, ยงมันยังมันทำงานไดน้ร่างกายนี่มันเพียงแต่ เป็นเครื่องมือสําหรับที่จะหาลูกเสียงกิ่นรสรสชาติาชนิดอย่างนั้นเองซึ่งมีอยู่สองพบคือของมนุษย์และของของเดรัจฉานส่วนของพบอื่ น, นี้เขาเป็นของทิแต่เป็นของทิส่วนดีและส่วนส่วนไม่ดีพวกเปลี่ยนนี่เป็นของทิปส่วนไม่ดีก็คือมีแต่ความหิวความกระหายพวกนรกก็มีแต่ความร้อน มีความเสียดความชางความโกรธความแค้นะควาอาพาธอาภาตปัญญาบภาภาภาภาัตรช่งสุรการก็มีแต่ความหวากตัวส่วนช่กเทพเขาก็มีรูปทิพย์เสียงทิพย์มาคอยให้เศษตลอดเวลาถ้าช่วงพ ร, รเขาก็มีความสมุดเป็นฌานในแต่ละขั้นคนที่ได้ฌานนี้จิตจะเป็นคง ส่วนพ้ออาอริยเจ้านี่ท่านก็มีปัญญามีวิัสสนามีไจรักทำให้ท่านมีความสงบแบบปัญญาอุปุิสมาธิท่านตักเกละทำจิตให้สงบได้ด้วยด้วยปัญญาละส ก, กายทุกข์ได้ละความสงสัยวิจิติิชาละทีละพะรจักรพรมา คือความหลงว่าพิธีกรรมต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้ตนเองหายพ้นจากความข้อกรรมหรือห้ือทำให้ตนเองนี้เจริญจ้าหน้าได้ที่เขามีพิธีกรรมต่างๆเช่นวงสรวงเทพพระเจ้า กูชาลาหุน mm hmm. อ, อะไรต่างๆางตรงนี้เรียกถือว่าเป็นตัวศีลรัระตคติธรราะไม่เห็นว่าความเจริญความเสื่อมอยู่ที่กรรมอที่การกระทำทำดีก็จเจริญทำชั่วก็เสื่อมส่วนที่มันเสื่อมแือเจริญในขณะนี้มันเป็นวิบากของความดีความชั่วที่ทำมาในอดีตมันส่นงผลมาในปัจจุบัน ไม่ต้องไปดวงหลวงไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนามสกุลมันไม่ได้ไปแก้ช่วยนะมันก็มีอะไรนะเทียบสวดปัญญาต่างๆการกรรมทัดเจียนไม่ใช่ครับเรื่อถังเลยเลยไปเรื่องลูประชานะลูประชานี่ตางกัมันเป็นความละเอียดของจิตมันสนุมากขึ้นไปเรื่อย การทํ า, า ง, งานของนามาขันมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ไม่เกี่ยวกับรูกหรูปอยู่ไม่มีกเคือรูปประชา น, นี้เขาก็แบ่งไว้ว่ามันมีอสี่ลักษณะรูปประชานขั้นที่หนึ่งก็จะมีวิตตุวิจารมีสุขมีสติใช่แล้วพอละเอียดเข้าลงไปวิตตกวิจารณก็จะหายไปมันจะมันจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ เหมือนกับมีมีไฟในห้องสิบดวงแล้วก็ดับไปทีละดวงสองดวงสามดวงดับมันไปเรื่อยๆแล้วกรทั่งมันดับหมดเลยมันก็มืดสนิทเลยพอขั้นถึงขั้นที่เก้าเขเรียกว่าสัญญาเวริษะนิโรธะเนี่ยสัญญาก็ดับเวทนาก็ดับไม่มีอะไรเหลือยู่เลยแต่ว่าที่ที่เขาฤาษีก็ อ, อยู่อยู่สมาบัติก็อยู่ในขั้นนั้นดับไปหมดสัญญาเวริษะ นิโรธอันนี้ไม่ใช่นิโรธงในอริยสัจสี่อันนี้นิโรธที่เกิดจากการกำลังของสมาธิพิเลดไม่ดับพิเรศก็ต้อนต้องต้องหยุดตัวตามการดับของการทางานของของนา ม, มขัน คืในขณะที่อยู่ในฌานหลายฌานนี่ยังมีสัญญารับรู้อยู่ว่า อ, อ๋ตอนนี้มีสุขนั้นมีปิติเนี่ยมีเบิดขาเน mm ี hmm. ้ยก็เป็นตัวสัญญาสังขาร ท, ที่ละเอียดที่รับรู้เรื่องราวแบบนี้นี mm ่เ hmm. รืงรู้ประชาะมนนี่รูปประชามาจากรูปประจาไปมันก็มันจะมีความรู้สึกว่างเป็นแบบรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนท้องฟ้าว่างเป็นแบบรู้สึกว่ามีวิญ ญ, ญาณที่มันว่าง แลไวกไที่มาแต่เป็มันเป็นภาษาที่เราอ่านมามันก็จะมีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะห้ามถึงว่าไม่รู้ว่างหรว่างไม่ว่างมีหรือไม่มีมีท่านท่านครับอันนี้สุด ม, มันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วปัญญาก็ดับไม่ไม่ทำงนก็ดับอันนี้ที่เรียกว่าสักแต่วรู้อย่างเดียวมันวนๆจิตมันวนๆจิตไม่ทํางานถ้าเป็นจอโทรทัศน์ก็เป็ดเครื่องเลย ตอนนั้นแล้วก็เบาเสียงเบาเสียงลงมาเรื่อยๆปรับภาพลดลดแสงสว่างลงไปเท่นี้เทีานี้เพื่อเราจะปรับเสียงให้เหลือศูนปรับภาพให้เหลือศูนย์มันก็มืดจอมันก็ว่างจมูกตดนี้จะมีแต่มันมันชั่วคราวพอมันออกมาแล้วฟิเลส ก, ก็กลับมาทํางานเหมือนเดิม เนี่ยพระปัญจวัคคีนี่ได้พวกนี้มาแล้วแต่ไม่ไม่บรรลุมรรคผลนิพาทพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นก็ไม่ไม่บรรลุมรรคผลพิพาทนั่นก็ได้เหมาแล้วไปเรียนกับอาจารย์สองลูปก็ได้แบบนี้มาแล้วแต่พอออกมาจากไอชาณิลจิตใจก็ยังว้าวุ่นโกลนอยยังมีโรคโกรธอยู่ยังมีความทุกข์อยู่ยังกังวลกับทางแก่ควางเจ็บควางตายยังกลัวความแก่ความเจ็บความตายอยู่ แต่หลังจากที่ได้ทรงทรงทรงเจริญวิปัสสนาเนาะพบอริยสัจสีพบไตรลักษณ์ขึ้นมาทีนี้ก็ปล่ อ, อยวางหนะครับนะอ๋อไม่ใช่ตัวเราเราเป็นหลงว่าเป็นตัวเราของเราสัเยธรรมานักตาทุกอย่างไม่มีตัวตนเห็นชัดนะเหมือนปล่อยวาจิตก็ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่กล้าไม่ยึดติดกับลมกับแดดกับฝนี้ แต่เราไปยึดติดกับผลงานของลมกับขอนเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันเป็นผลงานของดินขอ ง, งน้ำของลมของฝนเอา ล, ลูกต้นไม้แล้วเราก็ไปยึดติดเหนใชได้ดอกไม้มาช่อหนึ่งก็ยึดติดเหมือนมันเป็นผลของลมขอ ง, งน้ำแต่เราไม่ยึดติดกับลมก่อนน้ำลมจะมาจะไปมันไม่ได้สนใจร่างกายนี่ก็เป็นผลผลงานของดินน้ำลมไฟ พอเข้าใจว่ามันเป็นเพียงยิ น, น่ามลไฟจบ่ปล่อยวางได้จิตไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปไม่ทุกขกับของเราของไทยร่างกายของไทยมันไม่ <c oughs> อันนี้เป็นวิปนะัสสนาแล้ววิปัสสนานี้ก็ไม่ต้องมีฌานในระดับสัญญาเวริษกะขอให้มีแค่อุเบขาแค่ฌานสี่ก็พอี่เป็นกาง บอกวา่าเห็นอะไรก็ไม่ไม่สายไปทางยินดียินไล่อ น, นั้นก็เอามาใช้การเจริญวิปัสสนาได้หรือใช้วิปัสสนาเพื่อรักษาให้มันความเป็นการของใจก็ได้คือพอเราได้สมาธิแล้วเนี่ยพอเราออกมาแป๊บเนี่ยจิตมันจะสายออกไปทางรักกับทางชังเราก็ต้องเอาปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมาประกบให้มันกลับมาอยู่ตรงอุเบกขา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 พอมันทําไปจนกระทั่งมันทางานแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติแล้ไม่ต้องสอนแล้ะพอใละไรตั้น pues ม nope. <fing S 2> ันก็เฉยมันก็เฉยแต่ตอนต้นต้องสอนก่อนตอนแรกเราคิดก่นคิดคิดไม่ไ้ทิดแล้วก็อาไปใช้กับของจริงตอนหลังมันเกิดขึ้นเองพอมันทางานแล้วมันก็ไปโดยอัตโนมัติเหมือนคนตายแล้วก็รู้ต้องเผาแล้วมีบนพระไปหาโลงมาแล้วแต่ตอนต้นก็ต้องคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน ถ้นไมคิดเดี๋ยวพอถึงเวลาไม่รู้จะทำะไรวัดไปจองที่ไหนหไปซื้อลงศพที่ไหนอะไรอย่เงี้ยก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนให้จัดประมาทนิดนึงสีการพุทธามาถ้าเกิดอยู่ก็มีวัดในพุทธศาสนาที่มีที่อีกทางนึ่งไม่มีหรอกมันมีในสมัยนี้ค่ะ อ, อ, นนอันนี้ก็จัดเข้าข้อดีของตอ่างวัดไม่ไม่ทางศาสนามันทําด้วยเหตุด้วยผลเช่นกล่าวสังฆทานก็เพื่อที่จะได้รู้ว่า ต้องการจะถวายสังฆทานน่นเองมาถึงก็มาตั้งวางมาแล้วับไปแล้วเพื่อกล่าวเท่าหรว่าจะขอเอานี่มาถวายสงเดิรู้ว่าถวายใครไงหมนการการปลุกเสกไม่มีไม่มีวัดระแก้วไม่มีประเทไม่มีพระพุทธรูปไม่มีในสมัยุตการนธมาออ่าทั้งนั้น่ะจีแล้วจะทาในวัดหลวงไออ่าทั้งมันมีพามีมันมีพงมีพามันมีสารมันมีรัที่อย่างอื่นมาผสมผสานกันจนกระทั่งกายเป็นของจิขึ้นมา มีพิธีพิธีของของของสมเด็จพ็พี่นานนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่มันก็แค่เผาศพเท่านั้นอ่ะงานหลักงาก็คือเพื่อลดความเศร้าโสของมันเป็นธรรมเนียมที่เขาทำกันมาตามความเชื่อในแต่ละยุคแต่ละสมัย การทำตาอมันก็ไม่เสียหายทั้งไหมถ้าเราคนที่ที่ไปทำนะถ้าร่วมเป็นอะไรก็ไม่ไปหลงเพื่อไปคิดอะไรก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นก็ปล่อยไปก็ทำช้ามองไปเรื่อยๆได้เองเองแม้กระทั่งการให้พรนี้ก็ไม่ต้องให้ก็ได้จิตรับกันไม่ต้องจิตรับแต่ทำรับคุณก็ได้แล้วอ่ะเพราะพรมันอยู่ที่การกระทํามันไม่ได้อยู่ที่คนที่รับซะหน่อยที่นี่ที่บอก ที่ท่านยาบอกการกระทำวางก็ต้องการจริงๆวางปุ๊บก็ได้แล้วใช่การเปลี่ยนพิธีให้ใช่ไหมจะได้รู้ว่าจะถวายยังไงถวายเฉพาะบุคคลไม่จะถวายให้กับส่วนกลางตั้งใจก็โอเคสรุอเลอไม่ต้องยึดติดอะไรไม่มีฮะศาสนาดิมเดิมไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นแน้แต่ท่อพินายก็ไม่มีสมัยมีแต่ผ้าอะหัน ไม่มีใครทำผิดจริงไม่มีใครทำผิดกติกาก็ไม่ต้องสร้างกติกาขึ้นมาแล้วถ้าใช้คำว่าทํากติดติดต่างกันนี้แสดงว่าติตเรายังไม่มีอยงไม่ใช่ตาอย่าใช่มันอย่างลูกใรบาทพระที่เดินข้างหนวงพ่อเสดจบาททน้ารก็บอกมันติดต่างกันก็มันจะอยู่บาสานไง เราทําตามตามรับปทานเราไม่ได้ทำตามหลักท า, ามจริงการจริง <c oughs> เ, เราก็รู้ว่าพักอยูั้งวัต้องกินกันไดเราเราให้พวกเราเห็นว่าเขาไม่มีอาหารรับประทานเราช่วยเดี๋ยวสมภพเขามีอาหารรับประทานยิงบอกให้หมาให้คนมัเหมือนกันจิตจิตให้ด้วยความสงสารมันก็จะมีความสุขเท่กันแต <c oughs> ่นี้อ่าบุญไม่เท่ากันก็ผลที่จะได้รับจากคนนั้นมันต่างก <c oughs> ันอ๋อแต่ณเวลาที่เรา ท่านสายบายขอบคุณเจ้าแล้วขอให้ท่านช่วยเทศสั้นๆเขกำลัโนกเป็นผ้าแล้วหันได้ถ้าสายกับพระไม่ไม่รู้ภาษีภาษาสายบายท่านท่านก็อาจจะให้พรย่าหาสัตว์ทีแล้วก็ไปเพราะท่านมีธรรมนั้นท่านให้ละให้ได้เท่านั้นให้ให้ให้พรได้แต่ให้ธรรมะไม่ได้ถึงที่เราจะได้รับจากบุคนที่เราไปทำเนี่ยมันต่างกันถ้าให้กับหมามันก็มันก็เห่า หรือมันช่วยครอบบ้านให้เรามันทําได้ท่านั้นทําตามความสามารถของเขามีคืออนิสงส์ที่ได้รับจากผู้ที่เราไปทําด้วยแต่อนิสงส์ที่ได้รับจากใจของเราเนี่ยมันเท่ากันเพราะออกจากความสงสารเหมือนกันเป็นคนที่หิวไม่มีข้าวกินเห็นหมาตนนัวนี้หิวไม่มีข้าวกินก็จัดให้ทั้งสองคนหมาประจานคนปรจานหนึ่งเท่ากันใจมีทางเท่ากัน บุญตรงนั้นเท่ากันที่ว่าเท่ากันหมายถึงความคามทํากรุณาต่อต่อต่อสัตว์โลกเท่ากันเพราะเรามีสัตเพสัตว์ตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้แยกแยะว่าต้องเป็นคนเป็นสัตว์เราเห็นว่ามีความจําเป็นเท่ากันอดอยากขาดแคลนเวลาอดข้าวนหิวเหมือนกันเวลาได้กินข้าวก็อิ่มเหมือนกันตอนนี้มันเป็นความรู้สึกในใจ แต่เราไปเอาความรู้สึกที่ว่าเอาท่านเป็นภาพวิเศษแล้วถามท่าน <c oughs> เราอันนี้มันเป็นความอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเอง <c oughs> เราเราเราสร้างขึ้นมาเอง <c oughs> เรู้พ <c oughs> ราใ <c oughs> จ ว, าว่าที่ปูกยังคิดว่าถ้าเราทากับหลวงตาเนี่ยมันมันพูดไปช น, นที่พี่ปุกบอกอ่ะมันจะไม่นะท่านที่ทำกับหลวงตาเพราะท่านแสดงทําให้เราฟังนี่นี่ต่างหาที่เราที่เราได้ ที่ที่เราไม่สามารถได้จากคนอื่นเนี่ยก็คือจากการแสดงธรรมของท่านแต่สมมติถ้าท่านรับแล้วท่านไม่พูดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้ส่วนนั้นเพราะบางคนที่ไม่อย่างนี้ค่ะท่านการย์ทักษะแบบพระอริยะเนี่ยมันเหมือนถูกวางข้าลงไปที่นาที่มีมีปุงง๋ยก็ได้ธรรมะไงก็ได<อ>้ธรรมะนี่ไงที่เป็นปุ๋ยแต่ถ้าท่านไม่ไม่ไม่พูดอย่างพระพระเจดีกับพระพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครอย่างนี้ย ก็ไม่ต่างกา<ร>าันนะก็ ไ, ไม่ตางกาันจะมันกัถวายกับพระที่เป็นใบ้อย่างเงี้ยเราไม่ได้มาจากท่านเราได้จากจุจากความสงสายของเราก็ถวายกับพระที่เรารู้ว่ามีคนบอกว่าพระองค์นี้ไม่ค่อยดีเออไ ม, ไม่ไม่ค่อยเป็นพระที่สมบูรณ์อย่างนี้ก็ ถ้าสมมติว่าเป็นมนุษยธรรมไงสมมติว่าถ้าท่านโอดข้าวอย่างเงี้ยเราก็สงสารท่านเราก็มองข้ามความไม่ดีของท่านเสียแล้วเราก็ให้เขาเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเราดูตรงจุดนั้นเขาเรีว่ามนุษยธรรมจํารวจยิงผู้ร้ายเราอยังต้องจับเข้าไปรักษาโรงพยาบาลเขลเ้รงยาบาลรักษาก่อนก่อนที่จะจับไปขึ้นศาลไม่ใช่เพราะอพราะนี้คนเลวยิงมันแล้วไม่ต้องไปรักษามันกว่าให้มัน หายของมันเองก็ตายของมันเองไปไม่ใช่เพราะ น, น, น, นั่นเป็นจิตใจที่แร้านแค่จิตใจที่ไร้ความสงสารแม้กระทั่งศัตรูของเราเนี่ยถ้าก็าเดือดร้อนเรายืน่นมือช่วยเหลเือก็ได้เนี่ยจิตใจเราสูงขนาดไหนทุกเรื่องทกอย่างมีความหมายของบุญบุญกะทำให้จิตเราสูงจิตเรามีมีมีมีความเมตตากรุณา พูยาย่าถึงไม่เอาทูตถ้าเทวทังพยายามฆ่าท่านหนึ่งสามครั้งด้วยกับเมตตาสงสารขห้อภยัยเพราะความฉุนโ ง, งของจิตเพราะความอาฆาตยาบาทมันทำให้มันร้อนใจเราร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาใจเราต่ำล ง, งทันที จากเทป ก, กายเป็นมารไปอย่างที่ตอนสมัยที่คำเหน้นเขาเผาสถานทูตไทยที่ทอินโดนงเขาแล้วคนไทยเราก็จะไ ป, ป ร, ร้อมล้อมสถานทูตคำเหน้นแล้จะเผา<อ>ในหลวงท่านก็สั่งมาบอกว่าตอนนี้เราเราเป็นคนดีอยู่นะเราไม่ทำอะไรแต่ถ้าเราไปเผาแล้วก็เร็วเท่ากับเขา <c oughs> เ <c oughs> นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธใครถ้าเราอยากจะรักษาทานดีนนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอาคาตกายบาทใครถ้าเราอยากจะเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐย่อมมีเมตตากราุณามุริตาอุเบกขาหรือประจาจิตใจทำได้อย่างมากก็คืออุเบกขา ก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขา็นละ ก, กันเขาเชื่อเขาเลวอย่างไรเขาก็ต้องรับผลของเขาสักวันหน่เขาดีแต่เขาไม่ยาเขาไม่ยินดีกับให้กับการกรรการมุติตาของเราเราก็ต้องวางออเบรคขายไปเช่นคู่ต่อสู้ของเราเราไปแสดงความยินดีเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไร ไม่สนใจแล้วก็แล้วก็อุเบกขาแล้วก็ใช้เราก็ไม่เสียใจคือเรายืน่นยื่นความปรารถนาดีให้กับเขาแต่เขาไม่ยินดีเลยเราก็ไม่เป็นไรเราทําหน้าที่ของคนดีไปก็แล้วกันคนดีมีหน้าที่อยู่สี่ประการนี้สามประการหลักก็คือเมตตาคัุณามุนิตาส่วนอุเบกขานี่เป็นการทําใจของเราไม่ให้ไปเสียใจ เวลาที่ไม่ได้เป็นไปลายังที่เราทำว่เรายิ้มให้คนอื่นเนี้ยแล้วก็ไม่ยิ้มตอบเนี่ยแล้วก็ต้องอุเบกขาไปแล้วไป <laughs> ยิ้มแล้วมายิ้มตอบก็ไม่ว่าเลยซึ่งอุเบกขาชั้นนอกก็แบบข้างใ น, อ, อ, งงนยอย่างกลุ่็มันไม่มีธรรมะไงมันยัเป็นสัญญาอยู่ยัเป็นสัญญาอยู่ก็ยังดีอ่ะก็ยังดีก็ไม่มีแล้วยังดียงดีก็แสดงหน้ายั้งหน้ามาหออกมาเลย ต็วคนตายเนี่ยพูดอยู่ในอ่างนี่แหละครับครับครับครับครับครับคร็บค่าบครับครับครับครับคมับครบครับครับครับครับครับครับครับ้รับ่าับครัอครับครับครับ้วับคาับ้าับครับครับรัับรับครัรับคคับคบครับคบครัรับครับับครับครนับคร้บไรับบารบครับครัครับคับครันเรรับคบคร เราก็ไม่รู้จะ ต, ตอนแรกเราก็เฉยอยู่ต่อไปไม่รับรู้เรื่องอะไรทีนี้นก็คิดว่าพ่อทั้งคนแต่เราก็ว่ามาก็ไปทําอะไรไม่ได้เราไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไร <ๆ S 2> เอขาจะหายไม่หายมันก็เรื่องของเขาทีนี้ก็มันก็คิดว่าน่าจะมาเนี่ยก็เลยไปกราบลาขออนุญาตเหมือนกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแล้วไม่กลับหรืออะไรมาแล้วก็เลยมาอยู่ที่วัดโตที่สำคัญทีในเมือ ง, งพัทยา เป็นวัดบ้านท่านก็ทางนการอนุญาตให้เราปฏิบัติทุปดวงขวัตของเราได้ดินตะบารชั้นนีเดียวชั้นในบาทได้เพราะท่านก็เคยไปออกทุดงกับพระธรรมทาที่จไปไปกาบหลวงปู่ฟันไปท่านก็พอจะรู้จักธรรมเนียมของพระวัตากก็อยู่อยู่ได้ประมาณสัก 6-7 เดือนพ่อเกษีย4เดือนมินาน แล้วตอนนั้นก็หลังจากทาทาศพเสร็จแล้วก็มันก็กล้จะเข้าเป็นกาแล้วเราก็เลยคิดว่าอยากจะนองอยู่อยู่ของเราไปไม่ขับไปเพราะเห็นว่ามีพระอยากจะเข้าไปมากแล้วที่มันมีน้อยถ้าเราไม่เราไม่ไปสักค น, นก็มีที่ว่างให้พระองค์ อ, อื่นได้เข้าไป พระโลกาท่านก็เคยทเทศเดียด้วยพวกพระเก่าๆน่าจะขยับขยายออกไปแต่เราคิว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของเราที่เรากคนที่จะขยับขยายออกไปเพราะเนากการได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านนีก็ถ้าดูหนังก็เหมือนกับว่ามันดูหลายรอบแล้วมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแล้วเราก็อยากจะลองอยู่แบบแบบที่ไม่มีครูบาอาจารย์ดูที่ว่าเราจะดูลรลักษณ์ใจของเราได้คก็ ก็มีมีความตั้งใจจะมามาอยู่ที่วัดยาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเคยเคยแวะมาเคยมามาครั้งหนึ่งเมื่อตอนต้นปีสอง็กเมื่ออยู่ประมาณสักสองนาทีก็เห็นว่ามันก็เป็นวัดเดียวมังครั้งที่มีมีทางปฏิบัติทางสายวัดปากพอพออยู่จำปัญหาที่วัดนั้นได้พอปัญหาแล้ววัา ตีนั้นปีสองเจ็ดนับก็ถึงเจ็ดก็มามาอยู่ที่นี่ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นต้นก็อยู่ข้างล่างอยู่ประมาณ ส, 2, สักสองพันศาพอปีสามสูงต้นปีสามสูงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี้ก็อยู่มาจนถึงทุกวั น, นมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกนอกวันนอกจากมิถุนายนเป็นบ้างไม่ไใช่ น, น้อย ไปครับทำนานไปทีที่บอกให้ดูเียนให้อาอ ร, ออารอี่หมนจจ <c oughs> มนมนได้แต่ไม่ได้รับรนะเพราะถ้ารับปั๊บนี่มันมันมันบมดอิสระภาพเลยมันต้องรับทุกราย <c oughs> ใช่่ ยาถาวะริวาหาุราปริโรติสาคหลังเอวเมวะอิโตสินังตตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังสุมหามิาเมวะสนิจตุสัพเโระตุังกะาจันปัาวัตุยถานิสโรติรยถาสัพพิโยวิวัชานตสสโรควินัสสะ มาเตภวะสวันตจลาโยสุขีสีภายโกภวะอภิวาทานสีลุสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาย